อาลัมีน والصلاة والسلام على ش, وال ر ش ر ف الأنبياء والمرسلين وعلى ل ه و ص ح ا ب ه ومن تبعهم ب ح س ا ن ا ل ى يوم الدين رب ا ر ح ي صدري و ي ر لي م ر ي وحل ا ل ع ق د من لساني يفقه قولي วะฮลุลอัคดะตัมมิลลิสานียัฟกัฮูกาอุลีวะฮลุลอัคดะตัมมิลลิสานียัฟกัฮูกาอุลี ا ل a l a م عليكم و ر ح م a الله a ب ر ك ا ت ه ท่านอาจา a ย์อับดุลรอห์นีครับท่านพี่ n ้ Muslimin la Muslimah ที่รักทั้งหลายครับขอบคุณอัลลอฮ์และขอบคุณสมาคมอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคมนะครับที่ได้จัดอบรมนะครับเผยแพร่อิสลามที่มาจากอัลกุรอานและสุนนะของท่านนาบีที่ตึกอันยุมันอิสลามนะครับอัลฮัมดุลิลละขอดวงอาต่อัลลอ์ให้สมาคม สมาคมเรานี่นะครับสมาคมอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคมเนี่ยจะยืนหยัดอยู่กับสังคมแล้วก็ทําการเผยแพร่อิสลามตลอดไปพี่น้องครับขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหูนะวาจาลาที่อัลลอฮ์ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมาพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์หรือเปล่าขอบคุณอัลลอฮ์ ตอนเช้าๆเนี่ยพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราหลับไปเมื่อคืนแล้วให้เราตื่นขึ้นมาเนี่ยพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ถ้าว่าอะไรไม่ได้ก็อัลฮามดุลิลลาฮ์แค่นี้ก็อัลฮามดุลิลลาฮ์แล้วพี่น้องแต่ถ้าถ้าว่าได้ไปว่าอย่างนี้ดูอ่หลังจากตื่นนอนก็คืออัลฮามดุลิลลาฮิน ล, ล า, าดีอะฮยานะบาดามาอามาตานะไวลัหินนูชูร แต่ว่าบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เราหลับไปแล้วก็ให้เราฟื้นขึ้นมาแล้วก็ให้เราไปพบกับอัลลอฮ์นะครับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากตายในพี่น้องไปยืนอยู่ต่อนหน้าอัลลอฮ์สุบฮานะฮูบาดะละเมื่อนามาสุบโบเส็จแล้วพี่น้องภาระหน้าที่ของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านนาบี ม, มุฮัมมัดสุลลันวะ ส, สลัมเนี่ยสอนสอนลูกสาวของท่าน ก็เหมือนกับสอนพวกเรานี่แหละบอกลูกเอ้ยลูกอย่านอนนะหลังจากนามาสุบโบเพราะว่าครั้งหนึ่งนบีเข้าไปเยี่ยมลูกสาวไป น, อน้องอยู่คนละอยู่คนละหลังนะไปเยี่ยมลูกสาวที่บ้านหลังจากนามาซสุบโบเสร็จปรากฏว่าเห็นลูกสาวนอนอยู่ลูกสาวของท่านนาบีชื่อท่านหญินฟาตุมารดิยาลลอฮุอัลฮาแต่งงานกับท่านไซน่าอาลี น บ, บีก็ปลูกลูกสาวขึ้นมาบอกว่ากู้มีลูกขึ้นลูกลูกลูกขึ้นอย่านอนนะครับจนกว่าตะวันจะขึ้นตั้งแต่นาะมาสุบเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่ป่วยอย่านอนเพราะน บ, บีสั่งอ่ะพี่ น, อน้องแล้วก็เตือนลูกสาวด้วยพี่น้องครับคนป่วยเนี่ยนอนได้แต่พวกเราเนี่ป่วยไม่ป่วยฉันจะนอนใครจะทำไมอ่าพี่ น, อน้องไม่มีใครทำอะไรหรอกครับพี่น้องขังบนโกรธ ข้างบนเขาโกรธนะ่ะฉะนั้นไม่นอนทําอะไรถ้าไม่นอนผมขอแนะนําให้อ่านกุรานนี่แหละสุระอนนี้แหละไปนอ้อนตาบา้าราการดีเรื่มนี้แหละไปน้องพักติดตัวไว้ท่องให้จํานะนอนไปน้องแล้วก็อ่านวัลฮ่าอายะห์สิบอายะห์ไปน้องให้อ่านกุรานถ้าอ่านกุรานจบแล้วก็ก็ประมาณสักสี่สบห้านาทีหรือชั่วโมงหนึ่งก็ดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นแล้วไปน้อง ก่อนตะวันขึ้นให้อ่านดูอา่าบางคนลืมนะ่ะมาอ่านหลังตะวันขึ้นได้ไหมได้ไม่มีปัญหานะครับให้อ่านว่าอย่างน nah, nah ี้อัลลอฮุมวาบิกะอัสบะฮ์นาวาบิกะอัมไซนาวาบิกะนัชยาวาบิกะนามูตุวาอิลัยกันนชูรนี่ต้องอ่านขอบคุณอัลลอ์ที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่ในตอนเช้า แล้วก็มีชีวิตอยู่ในตอนเย็นพรตอนเย็นก็อ่านดูอาบทนี้อีกแต่ว่ากลับกันนิดนึง الل ہ الل ہ อ, อัลฮัมดุลิลลาฮิลาดิอัคยานอัลฮัมอัลลอฮุมะบิกะอัมไยนาพอตอนเย็นอัลลอฮุมะบิกะอัมัยนาพอตอนเช้าอัลลอฮุมะบิกะอัสบะนาสลับกันนิดนึงเพียน้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ฉันอยู่ชีวิตในตอนเย็นถ้าตอนเช้าก็ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ฉันมีชีวิตอยู่ในตอนเช้า นะครับว่บิกาอัมไซน์นะว่าบิกานามูถูกให้เราตายว่าบิกานาฮยาแล้วก็ให้เรามีชีวิตอยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอลัยกนันโนชูดแล้วก็ให้เราไปรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่ทุ่งมัชัตในวันกิยามาเตือนสติเราพี่น้องให้นึกถึงโลกอาคิรอให้มากกว่านึกถึงโลกดุนยาพี่น้องแล้วก็อ่านตัวอ้าอีกพี่น้อง อ่านดูอาวว่าไงนะขอความคุ้มครองจากเอาล้อให้พ้นจากเรื่องไม่ดีเรื่องสัตว์เรื่องไร้ายๆท่างทั้งหลายพี่น้องอย่าให้มาต่อยเรามากัดเราเอาเช่นอ้าวสุบิการิมาติลาหิตามาที่มินชริมาคอลักให้ว่าสามเที่ยวอ้าวสุบิคาริมาติลาหิตามาติมินชริมาคอลักพี่น้องก็ว่าให้จบสามเที่ยวนะคงว่าให้สองแล้ว บิล م الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ใน الأرض ولا في ا ل س م มาว ه و اسم อัลลอฮ์มนน้องนบีอ่านประจำสวอบาดนบีอ่านประจำลูกสาวนบีก็อ่านเป็นประจำลูกเขยนบีก็อ่านเป็นประจำอัลลมทั้งโลกเขาอ่านกันอย่างนี้ทุกคนน้องในเมืองไทยก็อ่านกันเราก็ต้องอ่านด้วยน้องครับเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาูวะตาลา เอ็อาเหล่านี้หาได้ที่ไหนอ่ะอาจารย์ลุงกรณีก็ต้องมาต้องไปไปที่ร้านขายหนังสือมีหนังสือดูอาขายใช่ไหมานัดหาซื้อมาซื้อมาขายต่อหรือมาแจกต่อก็ได้นะครับพี่น้องต้องอ่านดูอาเลยทั้งหมดประมาณสิบเจ็ดสิบแปดบเก้าดอาอลัลลอฮฺพี่น้องเนี่ยนึกถึงอลัลลอฮฺพี่น้องเพราะอ่านดูอาที่สองบทที่พวกเอ่านนี่นะพี่น้องปกป้องอะไรเนะี่ย งูแมลงปองสัตว์ร้ายทั้งหลายที่จะมาทําร้ายร่างกายผมขอเล่านิดหนึ่งผมอ่านดูอานี่นะ่ะประจำํำดูอาปกป้องสัตว์ร้ายหรือสิ่งไม่ดีไม่งามพี่น้องปรากฏว่าผมได้ถูกงูกัดเมื่อปีที่แล้วพี่น้องครับพอถูกงูกัดเนี่ยงูปรากฏว่าเป็นงูเขียวหางหางไหมผมก็เข้าเข้าบ้านนึกว่าอินนาลินละผมก็ไปอ่านพระธรรมจ เตรียมตัวไว้ก่อนไงหายตายแบบมีเน่าหนามาัดอะ่ะ <g ül üyor> ก็รู้ลุ้นหลัๆก็พาไปโรงพยาบาลเฮ้อาการมันไม่ออกในไปนอนอยู่สองคืนอาการไม่ออกแล้วก็ต่อมาหลังจากออกจะโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็มีคนที่ถูกกัดกันในเวลาเดียวกันวันเดียวกันเวลาเดียวกันอีกสองคนปรากฏว่าอีกสองคนนั้นถูกตัดเนื้อออกพี่น้อง หมอควานเอาเนื้อออกแต่ของเราเอาล้อคุ้มครองพี่น้องเพราะอะไรครับผมว่าดวอาที่เราอ่านนั่นแหละพี่น้องกัดแล้วไม่มีอาการแสดงว่าดุอาเนี่ยเอาล้อคุ้มครองทําเราอิมานเพิ่มขึ้นโอ้ห้ามอย่าลีลาการขอดูอานี่มันเอาทำเลยขอความคุ้มครองจากอละนะัลลอฮ์น่ะใช่ไหมพี่น้องหนึ่งไม่ให้ถูกงูกัดสองถ้าถูกงูกัดแล้วอันตารายไม่เกิดขึ้น ท่านว่าอัลลอฮ์พอใจอย่างอัลลอฮ์พอใจในตัวเราครับเวลาทำดีละเบียดเราทั้งลหลายก่อนลากไว้ท่านพี่น้องฟังพี่น้องครับวันนี้เรามาดูคุรานนะพี่น้องคุรานซุระเนี่ยตาบารกัร ล, ลีบยดีฮิลมุลกุ์ละุลลิชัยอิงกอดีมีทั้งหมดสามสิบอายาพี่น้องพี่น้องครับนี่คนที่อ่านซุรอนี้นะพี่น้องครับ ปกป้องการลงโทษจากอะไรจากสุสานอัลลอฮฺพี่น้องอัลลอฮฺเล่าว่าในคัฟีร์คุรานว่าคนที่อา่อานกุรานสุ ร, อร้อนนี้อยู่เป็นประจําแต่มีข้อ ม, มันมีข้อข้อมีข้อบังคับอยู่ข้อหนึ่งคนที่อ่านสุ ร, อร้อนนี้อยู่เป็นประจํา ม, มีข้อแม่นะต้องเป็นคนที่เข่งขัดาศาสนา ไม่ใช่อ่านอย่างเดียวแล้วก็ขาดนามาศอ่านอย่างเดียวแล้วก็ดาคนนั้นก็ทะเลาะกับคนนี้อ่านอย่างเดียวเส่ร้ายปัญญาคนนั้นนินทาคนนี้นนนนนอลรอไปน้องถ้าอย่างนี้ไปน้องอ่านจทั่งตายก็ไม่มีประโยชน์ไปน้องเวลาอ่านแล้วเนี่ยต้องทําดีกับพ่อแม่ด้วย ทำดีกับลูกๆด้วยถ้ามีสามีก็ทำดีกับสามีถ้ามีภรรยาก็ทำดีกับสามภรรยาทำดีกับญาติพี่น้องทำดีกับนี่มูลก่สอสมาคมกับมูลนิธิด้วยต้องให้เกียรติอาจารย์มาุรุรยีด้วยเพราะเราอ่านกรุรงอาา่อานไอสุรนีพี่น้องเราต้องเป็นคนดีและถึงอาย่านี้จะคุ้มครองเราไม่ให้ได้รับการลงโทษที่หลุมฝังศพครับพี่น้องเอ้ย เาวันนี้มาดูอายที่สสนะครับซุรออัลมุลกสิบนักพี่น้องคุอ่านมีกี่บางมีกันบ้มีใช่หมอัลลอ่าลักะวะะลัตุัอลฮัลลลอัลลอฮอััอลัลัอล วะฮุวัลลอติฟุลขบีรมาดูกันแปลกับพี่นองลลอฮอยลาลมแปลว่าม่ทรงรู้กันนั้นหรือมันขอแล้วก็ผู้ทรงสร้างผู้ทรงสร้างจะไม่ทรงรู้กันนั้นหรือวะฮุวัและพระองค์ อัลลอฮ์ติฟูลขอบิสลาติฟแปลว่าอย่างละเอียดอัลขอบิสแปลว่าผู้ทรงตะหนักเสมอคืออัลลอฮ์นี่นะสร้างมนุษย์มาเนี่ยมนุษย์อัลลอฮ์จะไม่รู้หรือว่ามนุษย์เนี่ยจะจะจะไม่รู้นิสยัยไม่รู้สันดานแต่และคนอัลลอฮ์รู้หมดพี่น้องคนนี้อัลลอฮ์สร้างมานี่นะสร้างมากับพระหัตถ์ของพระองค์เองเมายถึงสร้างนบีอาดัมหนะักคนแรก คนแรกของโลกพี่น้องมาพูดถึงเรื่องสร้างสร้างคนพี่น้องครับอัลลอฮ์เนี่ยสร้างคนมาในกี่แบบในพี่น้องสี่แบบสร้างคนมาในสี่แบบในพี่น้องนะอัลลอฮฺแบบที่หนึ่งไม่มีทั้งพ่อและไม่มีทั้งแม่เอาสร้างใครนึกออกไหมสร้างนาบีอาดัม <c oughs> ไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่ สร้างมาจากอะไรครับพี่น้องสร้างมาจากดินอัลลอฮ์ดิ้งส่วนไหนของโลกไม่รู้เห็นไหมอัลลอฮ์สร้างมาแล้วพี่น้องเราทุกคนยอมรับหมดทุกาศาสนาในโลกยอมรับว่าอาดัมนั้นเป็นมนุษย์คนแรกของโลกอัลฮัมดุลิลลพี่น้องข้อที่สองอัลลอฮ์สร้างมามาจากพ่อไม่ผ่านแม่ อาดำไม่มีทั้งพ่อและไม่มีทั้งแม่พระยาของนบีอาดำน่ะเรียกว่าโตะอะไรนะโตฮาวานะครับในาศาสนาคิดเรียกว่าอีฟนะพี่น้องโตฮาวาเนี่พี่น้องผ่านพ่อไม่ผ่านแม่อัลลอฮ์ อ, อลัลลอฮ์เก่งขนาดไหนพี่น้องนี่ไงข้อแรกก็อลัลลอฮ์สร้างนะ่ะสร้างมนุษย์มาอาลัลลอฮ์จะไม่รู้หรือว่าอาลัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์มามาม า, มา ม่ในกี่แบบมเลนี่เล่าด้วคัมภีร์กุรอานเองนะเล่ามาว่ามีอยู่สี่แบบแบบที่หนึ่งสร้างอาดัมไม่มีทั้งพ่อและไม่มีทั้งแม่สองสร้างโตฮาวะเป็นภรรยาของอาดัมเนี่ยผ่านใครผ่านพ่อไม่ผ่านแม่อา้าวออกมาจากไหนพี่น้องคอจะรู้ใช่ไหมออกมาจากเสียอะไรสี่โครงทุกคนยอมรับ ประเภทที่สามนะครับพี่น้องผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อนึกออกไหมใครครับนบีอะไรนบีอิสอลยฮิสาลามผ่านแม่ไม่ผ่านพ่ออ่านนางมารยัมมีสามีเปล่าไม่มีครับเราก็มีลูกอั Akbar, ลลอฮฺอักบารท่านถูกนินทาถูกด่าเต็มไปหมดแต่นางเป็นชาวสวรรค์ไปแล้วไอ้คนที่ด่าท่านตกนรกหมดแล้วพี่น้อง วันนี้เนี่ยเพราะเพราะเรื่องนบีอิสาเรื่องเดียวเนี่ยทำให้คนบางคนเนี่ยวันนี้นะนบีอิสาถูกกล่าวเป็นพระเจ้าไปแล้วใช่หรือไม่ใช่เข้าใจว่าเป็นลูกของใครลูกของอัลลอ์แต่อัลลอ์บอกว่าฉันไม่มีลูกอย า, ายาหน้าที่บอกว่าไม่มีลูกนะกุ ล, ลหุ อ, าาอัลลอฮุอาฮัดอัลลอฮุซามะดลัมยาริดอัลลอ์ไม่มีลูกวาลามยูลาดะอัลลอ์ไม่มีพ่อ อัลลอฮ์ไม่ประสูดและถูกประสูตดอัลลอฮ์ Allah อักบาร์พี่น้องหลายวะลัมยากุลละหูกุฟูวันอาฮัดและไม่มีอะไรบนโลกนี้เหมือนอัลลอฮ์เลยพีย่น้องฉะนั้นการสร้างของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการจะแสดงความสามารถให้มนุษย์ได้เห็นว่าอัลลอฮ์นะมีความสามารถอัลลอฮหนึ่งสร้างอาดัมไม่มีทั้งพ่อและไม่มีทั้งแม่สร้างฮาวะเป็นภรรยาของนบีอาดัมเองผ่านพ่อไม่มีแม่ สร้างน บ, บีอิสลาฮิสลามผ่านแม่ไม่มีพอ่อแล้วก็สร้างมนุษย์ก็สร้างประเภทที่สี่ไม่้องครับมีทั้งพ่อแล้วก็มีทั้งแม่อย่างพวกเราวัานนี้ไอแต่งไม่แต่งอีเรื่องไงี้ น, นะพี่น้องนะถ้าแต่งก็มีผละบุญไม่แต่งก็มีบาปพรานั้นแหละพี่น้อง แค่นันการสร้างของอัลลอฮ์มีอยู่กี่แบบนะสี่แบบหนึ่งสร้างอาดัมไม่มีทั้งพ่อและไม่มีทั้งแม่สองสร้างตัวฮาวะมีพ่อผ่านพ่อไม่ผ่านแม่สร้างนาบีอีสาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อและพวกเราวันนี้มีทั้งพ่อและมีทั้งแม่ไอจะถูกกฎหมายมาถูกกฎหมายอีเรื่องหนึ่งนะครับเป็นรองว่าอัลลอฮ์นะั้นสร้างคนมาในสี่แบบอย่างนี้ขอบคุณอัลลอฮ์ได้ยัง ได้แล้วอัลลอฮ์สุญูดได้ยังสุดูดได้แล้วท่านใหญ่จริงๆไม่มีใครใหญ่เท่าๆ ท, ท่านนะ่ะฉันยอมจำนวนตน ต, นต่ออัลลอฮ์ س ب ح ا ะครับเลียนีาสร้างอวัยะจาิโกล้างซ้ายรข้างขวาข้างซ้ายครับใช่ครับแล้วก็แลสายังไงดึงชิโกออก ม, มาดึงออกมาคลนนิง่งอั <laughs> ลลอฮเราทไม่รู้ นะฮะดิษอธิบายนบีอธิบายให้ฟังว่าสร้างมาจากสิโครงใช่แต่ไม่ว่าดึงมาอยัางไรถึงช่วงไหนเราก็ไม่รู้ทรงมีอำนาจแหัมดูิลยลนาะเขารู้แล้วสมองเสียละนึกไม่ถึงนึกไม่ถึงสร้างมาแล้วก็เป็นคนได้เลยอัลลอฮฺพระองค์ประมดูเลยเาะอืม ทีนี้เวลาอลัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาอลัลลอฮ์ก็บอกเลยนะวิธีรักษาลิ้นทำยังไงรักษามือทํายังไงสร้างปากมารักษาปากยังไงอลัลลอฮ์สอนหมดเลยอัลลอฮฺักบัดผมขอยกตัวอย่างว่าอลัลลอฮ์สร้างอลัลลอฮ์สร้างอะไรนะสร้างลิ้นเอาเอาเอาแค่ลิ้นอย่างเดียวนะสร้างลิ้นเนี่ยสร้างมายังไงอลัลลอฮ์นี่เวลามีลิ้นแล้วไปน้องกันหะไรนะครับวิธีรักษาลิ้นเนี่ยทําไง ไม่ให้มีอิทธิพลใช้ตอนเนี่ยมาอะไรนะอย่าเอานิสยัยใช้ตอนมาใชา่เอาละให้เล่นมาอิสระพี่น้องในการพูดพูดไปเลยอะไรก็ได้แต่มีคนบันทึกถ้าพูดดีมีรางวัลถ้าพูดไม่ดีมีโทษนี่บอกกระว่ายพี่น้องเราเห็นเห็นคนบันทึกไม่ไม่เห็นพี่น้องเลยคุยกันเละเล้อวะเนี่ยคุยทุกเรื่องนึกว่าไม่มีคนบันทึกแต่คนที่มีอิมานเนี่ย ผมเนี่ยระวังตัวมากพี่น้องเรื่องปากเนี่ผมระวังสุดๆเพราะว่าเคยพลาดมาแล้วรอและแก้ตัวยากที่สุดก็หลักฐานมันมีไงดัง <c oughs> นั้นวิธีรักษาลิ้นพี่น้องครับรักษาปากรักษาลิ้นนะมีทั้งหมดอยู่สิบวิธีอยังให้อลออกโลกรดถ้าใครแม่รักษาลิ้นพี่นอ้องออลออลโลกรดแน่ๆครับผมแค่ยกตัวอย่างแค่สิบสิบนะพี่น้องหนึ่ง รักษาปากยังให้อัลลอฮ์โกรธแต่ชายตอนชอบรู้ป่ะสิ่งที่พูดดังต่อไปนี่ช้ชายตอนชอบนะครับแต่อัลลอฮ์โกรธพอชายตอนชอบเนี่ยอัลลอฮ์ให้ชายตอนมาอยู่ริมตัวเราแล้วก็ให้มะลายกาเชิญออกห่างๆไปเลยพี่น้องหนึ่งเวลาสาบานในยาสาบานอื่นจากอัลลอฮ์เรื่องใหญ่มากครับเวลาสาบานอย่าสาบานอื่นจากอัลลอฮ์พี่น้อง ฉันขอสาบานอย่างนี้อะไรนะทนายทนายยกตัวอย่างทนายนะฉันขอสาบานด้วยเกียรติของทนายเคยได้ยินใช่ไม้มผมได้ยินบ่อยๆมากแต่แต่ว่าเตือนไม่ได้กาลัางนั่งกันนั่งกันเยอะหลายคนนะครับฉันขอสาบานด้วยเกียรติของทนายโอ้ทุกคนเชื่อเลยโอ้โ้อ้อ้อเนี่ยสาบานอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ เวลาจะสาบานต่อสาบานกับใครอัลลอฮ์ลลองเดียวฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์สาบานตัอกุรอานได้ไหมกุรอานก็ไม่ได้ไเพื่น้องอ้าวแล้วสาบานต่อกุรอานเขาใช่กันตอนไหนตอนไปขึ้นอะไรขึ้นศาลใช่ไหมไปยืนอยู่บนหน้าหน้าหน้ า, นาบัลลังก์อะไรพื่น้องแล้วก็เอากุรอานมาวางไว้เอามือเราไปวางอยู่ขอสาบานต่อกุรอานว่าฉันจะไม่พูดเท็จ ผิดไหมผิดครับไม่ได้นะครับเนี่ยถามว่าอัลลอฮ์พอใจไหมอัลลอฮ์ไม่พอใจครับแต่คนพอใจหมดแต่อัลลอฮ์ไม่พอใจรู้ได้ไงกับเพราะนบีปรมาศสอนเราต้องเชื่อนบีพีน่น้องพยายามเอาคําสอนของนบีมาใช้ให้มากที่สุดอย่าสาบานอื่นจาก ح ح าอัลลอฮ์ سبحانه และกษัตราย์นะครับยิ่งคนพีน่น้องชาวกาเฟสเนี่ยสาบานทุกชนิดที่ขวางหน้าพีนา่น้อง น่าสงสารนั่นน่ะน่าสงสารสุดๆเลยนะพี่น้องถามว่าอลัลลอโกรธไหมโกรธมากครับอลัลลอฮอักบัดาต่อมาเรื่องที่สองยาดายาดากายเคยดากายปะตอนไก่มันขันนะ่ะแล้วเรากำลังนอนอยู่อะ่ะโอ้โหมีอยู่คนหนึ่งพี่น้องตายไปแล้วคนเนี้นะ นอนกลางวันแล้วไก่มันขันตอนเวลานมาซุฟรีนามาดบ่ายกำลังนอนอยู่เนี่ยเอาไม้ตีไก่เลยน้องไก่ก็วิ่งรอบบ้านอันนี้ก็สมัยชนบทสมัยก่อนเนี่ยพี่นอ้องอลออักบัตไมพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะไม่เข้าใจาอิสลามน่อยพี่น้องอ้าคนรุ่นก่อนเราเราอภัยโทษให้นะขออนุอาตตลอดเพราะเขามาได้ฟังาศาสนาแต่วันนี้เรามีมีฮะดีสมา ถูกนำเสนอท่านพี่น้องเข้าใจง่ายๆพี่น้องฉะนั้นเราอย่าทําอะไรผิดเหมือนคนในอดีตที่เขาทาผิดที่เขาทําผิดก็เข้ามาได้ฟังศาสนาแต่วันนี้เราฟังศาสนาพี่น้องอย่าด่าไกา่นบีสอนนะครับว่าไก่ตอนมันขันนะ่ะไม่เห็นอะไรถ้า น, นาบีไม่บอกเราไม่รู้เห็นอะไรพี่น้องทราบไหมเห็นมาลาอิกะอ่ะมาลาอิกะเนี่ย ไก่เห็นมาลายกาดึงได้ขันอัลลออักบวแล้วก็เวลาที่ไก่ขันเนี่ยมันตรงตรงกับเวลานามาดพอดีนบีสอนอยางงี้ลาตาสุบุตดฟาอินน ahu ยูกอซุลิสซลาทัานทั้งหลายยาดาไก่ตัวผู้นะเวลามันขันเนี่ยเพราะการขันไข่อะไรนะขันของไก่นะัน่ะเป็นการปลุกให้คนขึ้นมานามาด ไปน้องผมนึกภาษาไก่มันขันมันขันยังไงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยผมแปลเป็นอุซุคุรุนรอจงไปรำลึกถึงอัลลอฮ์กันเถอะกูขันมานานเลวมึงไม่ไปสักที เ, เนี่ยอุซาปลุกขึ้นแล้วจะไม่ไม่ไปยังห่มผ้าตออีกและคนที่เลี้ยงการมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมไอคนที่าพาพาไก่ไปตีเนี่คนประเภทไหนก็นุ่งผ้าสรงหมดเลยอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ แต่ว่ามุสลิมเนะี่ยเลี้ยงไก่อูมากที่สุดแล้วก็ขาดนามาดมากที่สุดแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงไก่อูดนะเรียเยงนะลูกลูกพ่อมาทําดีนากามะมาทำอะไรอยูตั้งบนไก่ไก็อ๋อไก่นี่เหลืองเลยนะทั้งหน้าทางตาดิ่เหลืองเลย แต่ลูกตัวเองไม่เคยอุ้มอาบให้เมียอาบนะครับตัวงว่ารักษารักษาลิ้นรักษาปากไม่ไรนะไม่ด่าไก่นี่ไงต่อมาครับแล้ต่สุบบุตธิธรรมยาดาวันเวลายาดาวันเวลาพี่น้องดายังไงวันเวลาพวกไปดูหมอทั้งหมดน่ะคนที่ไปดูหมอพี่น้องเช่นจะแต่งงานลูกเออเอาไงดีน่ะ เพราะว่าโตแชรกีเนี่ยเคยไปดูหมอมาตลอดไอ้รัวเราที่แต่งม่านี่กัมาเคยไปดูหมอมาแล้วนะหลังวันนี้ในการจะเลิกกันไปแล้วนะอยากกันไปแล้วนะพี่น้องการไปดูหมอนี่แหละนบีห้ามพี่น้องเหมือนกับเป็นการด่าวันเวลาแล้ต่สุต บ, บุตรยาด่าวันเวลาพอไปดูหมอหมอว่าเงี้เดือนมูฮัรรอมเนี่ยไม่ได้ ห้ามแต่งเลยเพราะเป็นเดือนต้องห้ามปลูกบ้านไม่ได้แต่งงานไม่ได้ทำบุญไม่ได้ถหาจะทำก็ทำได้อย่างนี้เดือนหนึ่งนี่นะข้างขึ้นทำได้ข้างแรมทำไม่ได้เพราะมันมืดทีนี้ถ้าข้างขึ้นทำได้ก็ต้องวันวันคู่ไม่ใช่วันขี้ตัวลงก็หมดหมดไปแล้วสิบห้าวันข้างแรม เราขั้งขึ้นอีกสิบห้าวันไม่ได้เพราะว่าเป็นเดือนวันวันขี้ก็เหลือเท่าไร่เหลือแปดวันเดือนหนึ่งที่ทําความดีได้ถ้าตามหมอนะทําได้กี่วันนะแปดวันอัลลอฮ์และอีกยี่สิบยิบสองยิบสามวันนี่ทําความดีไม่ได้เลย่ะแล้วเป็นไงพี่น้องนี่แหละเป็นการตำหนิวันเวลาของอัลลอฮ์นบีเลสางเวลาแต่สุบุตดารอยาดาวันเวลา พูดคำนี้อัลลอฮฺไป้องกับฟาอินนัลนลอฮฺฮะหุ ว, วดดารุเพราะอนะัลลอฮฺน่ะเป็นเจ้าของแห่งเวลาเพราะเราด่าเวลาก็จะกด่าใครนะด่าอัลลอฮฺไปด้วยใช่หรือไม่ใช่ใช่อย่างลูกเราเนี่ยคนอื่นเขาด่ามาเนี่ยเราเจ็บไหมด่าลูกเรานะี่ยพ่อแม่เจ็บมาคิดดูสิแล้วอัลลอฮฺไม่เจ็บเลย ว, วันพูดไม่ดี ใครบอกกูสร้างไม่ดีเลยเนี่ยเห็นไหมพอไปเชื่อมองอะ่ะอลลอฮ์แม่พี่น้องนั้นอะย่าด่าวันเวลาอยาตําหนิเวลาพอการตําหนิเวลานั้นเท่ากับเป็นการตําหนิอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่พอใจนี่มันไมล่ลินครับอัลลอฮ์สร้างลินมาอัลลอฮ์สั่งเลยนะอย่าตําหนิเวลานะเอาต่อมาครับลาตาสุ บ, บุรีฮ์ยาดาลมด่าลมทําไงพี่น้อง <c oughs> เนี่ยเวลาลมลมลมล ม, ลมพายุมาแรงแรงสมัยก่อนนี่นะผมจามได้นะโตโตแชร์เราเนี่ยอย่างบ้านบ้านน่นะบ้านลังบ้า น, น, า น, นในฝาจากไงพี่น้องเอามีดทำไงนะเอามีดไปแทงเอาไว้เวลาลมมาเนี่ยฮัลโหบ้านระดาลมอะไรกัวะเนี้ยมันจะบ้านกูจะพังหมดแล้วนี่คือทางะนะทางออกไม่แค่นี้มุสลิมอ่ะ พินองก็มีดู آن, ah um aha, ah um ha, อด่านอัลลอฮุมะอินีอัสลุกขรราอัลลอวะไครมาอัจสัลตาอัลลอฮุมะอัสลุขไครร่าวะไเรรมาฟีฮะวะอูมุบิกะมินชรฮวะชรมาฟีฮต้องอ่านดวอาบทนี้ไปเนองขอความคุ้มครองจากเอาลองให้พ้นจากลมพายุแ ah u, รงๆ เ, เ, เนี่ยนะครับอย่าให้มีอันตราย นะครับขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากความเลวร้ายของลมพายุนี้ต้องขออุทอายต่ออัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์ไม่ใช่ไปยืนว่าลมด่าลมดา่าฝนด่าแดดพี่น้องมุสลิมที่อีมานต่ออัลลอฮ์ที่เข้าใจาอิสลามเขาจะไม่ดา่าครับพี่น้องทั้งหลายเอาต่อมาครับ <c oughs> ย่าดาการเจ็บไข้ใดป่วย <c oughs> อย่าบน่นพี่น้อง นบีห้ามเลยพี่น้องเพราะการเจ็บไข้ในป่วยนั่นเป็นความดี อ, อัลทารุอย่างนี้นะเออเรายิ้มออกพี่น้องอ่าเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งนบีไปเยี่ยมคนคนที่มาจะช่นบทนะพี่น้องมาจากบ้านนอกอนะเพราะบ้านนอกเนี่ยเขาอยู่กันนะอยู่กับอูดอยู่กับแพะอยู่กับแกะก็ะส่วนใหญ่ชีวิตก็อยู่แบบนั้นเลยพี่น้องครับ คนที่อยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเนี่ยก็มีมันก็สนุกไปอีกแบบหนึง่งคนละอย่างละอย่างพี่น้องคนที่อยู่ใกล้นบีเท่านั้นแหละพี่น้องที่เขาจะรักษาลิ้นของเ้าให้งดงามสม่ำเสมอเป็นที่พึงพอใจของอัลลอฮ์พี่น้องมีคนชนบทคนหนึ่งเข้ามาในที่นครมาดีนะที่รักมาป่วยพอรู้ข่าวว่าป่วยนบีก็ไปเยี่ยมมาพอไปเยี่ยมมาเหนานา็นหน้านบีเขาบอกว่าบารอกัลลอ ไม่มีความจำเริญจากอัลลอฮ์เลยฉันเนี่ยกำลังเป็นไข้ความจำเริญจากอัลลอฮ์ไม่มีน บ, บีกูดเลยยะว่าอย่างนั้นสิยะว่ายะว่าให้ว่าอย่างนี้ใครขออุดมอัลลอฮ์อัลลอฮุมมัชฟีอันตัชชัฟีลาชิฟะอิลลาชิฟะอุบชิฟะอัลลายุร่าดิรุสะกอมันลาบักซาพาฮุรุนอินชาอัลลอฮ์ หรือว่าตอนท้ายตัวเดียวก็ได้ลาบะสาตอฮูรุนอินชาอัลลอฮการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่เรื่องรายแรงแต่เป็นการชำระร่างกายของเราให้สะอาดเป็นการลดโทษลาบะสาตอฮุรุนตอฮูตแปลว่าทำให้สะอาด การเจ็บไข้ได้ป่วยทําให้เราเนี่ยสะอาดทาให้เราดีขึ้นบาปของเราเนี่ยลดน้อยลงนะครับเป็นการลดบาปของเราเป็นในตัวลาบะสแปลว่าไม่เป็นไรต่อหูรุนไปชําระบาปของเราให้หมดไปอินชาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ให้ว่าอย่างนี้ไม่จะพูดว่าโอ้อัลลอฮ์เนี่ยไม่รักฉันเลยไม่เมตตาฉันไปตำนี้ตำนี้การเจ็บไข้เดรบวยตำนี้อัลลอฮ์ด้วย พี้อครับเพราะฉะนั้นการเจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องถ้าคิดให้ดีนะเป็นความดีนะอัลลอฮฺพี่น้องแต่คิดไม่เป็นพี่น้องด่าอัลลอฮฺเลยขอยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับอย่างเราเนี่ยเนี่ยนั่งรถมาขับขับรถมานะขับรถมารถเกิดชนกันอักเดบันตุ้มอัลลอฮฺพี่น้องพอตุ้มเนี่นะ เราออกไปยืนดูรถรถพังเยอะพี่น้องลิ้นว่าไงครับตั้งตั้งสตินิดนึงอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์ที่รถพังเล็กๆน้อยๆแต่ร่างกายของเรายังสมบูรนึกออกไหมอ๋อพังเฉพาะรถแต่ตัวเรายังสมบูรอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องนี่ไง ถ้ากล่าวคำนี้ปับเอเล็ะก็มองอยู่ข้างบน อ, ะอ่ะออบาวของฉันคนนี้มันฉลาดจริงๆมันเก่งอ่ะฉันทดสอบทดสอบเขาให้รถชนกันมันก็ชมฉันว่าอัลฮัมยุลิลลาให้รถให้พังเฉพาะรถแต่ร่างกายยังสมบูรณ์พี่น้องใครสอนให้คิดแบบนี้ใครพี่น้องนบีมหฮัมมัดนะ ถ้าเราไม่ฟังฮะดิษไม่ฟังนบีเราไม่รู้เรืมองจะคิดยังไงออกเนี่ยรถชนกันเนี่ยไปน้องทั่วๆไปก็ทะเลาะกันเลยไปน้องแต่นบีไม่ให้ทะเลาะกันใครทั้งนั้นเลยนี่กดีจะเป็นกดฏกบฏอ่าเป็นกฎสภาวะที่อัลลอฮ์กำหนดเอาวไว้แล้วไปน้องเอาบังเอิญไปน้นองรถพังขาหักอ่านึกนึกยังไงนึกยังไงรถพัง ขาหักออกมายืนดูห้ยขาเลือดเต็มเลยเนี่ยแล้วก็หักไปนิดหนึ่ก็ยังพอเดินได้นะว่าอัลฮัมดุลิลล l a h แข่รถพังขาหักเล็กๆน้อยๆแต่ขายังไม่ได้ขาดอัลฮัมดุลิลลนึกออกไหมนึกไหวไหมพี่น้องการ์มี่งอิสลามสอนดีไหมดีไม่ให้ด่าใครเลยพี่น้อง ไม่ไดาอัลลอฮ์ไม่ไดาคนนู่นไม่ดาคนนี้นี่อัลลอฮ์ Allah ทดสอบฉันให้พบกับเหตุร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นเอาไปน้ อ, นองถ้าเกิดขามันหักหักเลยไปน้องจะต้องดามนายไปน้องเดินไม่ได้เลยอยู่ในรถออกมาไม่ได้เลยขาหักเลยไป น, น้องอัลลอฮ์รักบัดแล้วก็ตั้งตั้งสติ อัลฮัมยูริลล์แค่รถพังแค่ขาหากักแต่ขาดขายังไม่ได้ขาดอัลลอฮฺอักบัดคิดได้ยังไงพี่น้องนี่ไงคำสอนของอิสลามเนี่ยเป็นทางออกสำหรับชีวิตของเราพี่น้องครับขอบคุณนลอร์นะพี่น้องนะเอาผมขอเล่าอีกตัวอย่างอีกนิดหนึ่งพี่น้อง บุคคลตัวอย่างในอดีตเนี่ยในสมัยหนึ่งันี่รอปีเนี่ยพี่น้องมีเรื่องเล่าเยอะมากเป็นกรณีตัวอย่างทั้งหมดพี่น้องไซยิ์น้าอาลีรอดิยัลลอฮฺอุมานุทนอาลีเนี่ใครพี่น้องลูกเขยใครลูกเขยนบีเป็นสามีของใครของท่านหญิงฟาติมะรารอดิยัลลอฮฺอุมานะไม่ใช่ปะเป็นลูกเขยนบีแล้วไม่มีปัญหานะไม่ใช่นะมีปัญหาครับมีความเดือดร้อนไหมมีครับ และเขาแก้ยังไงเขาแก้ตามวิทนาบิษณุ์ยอ้าวยกตัวอย่างง่ายๆมีวันไซนาอาลีเนี่ยไปทำสงครามออกไปจีฮาตฟีซบินลิน ล, ล่าพี่น้องสมัยก่อนครับว่าจิฮาตเนี่ยออกไปสนามรบแบบไออสนี่เลยแ่ละพี่น้องเขาเล่นกันจริงๆนะดาบต่อดาบฟันต่อฟันพี่น้องแต่สมัยนี้อเมริกามันเก่งกว่ามันใช่ระเบิดอ่าอเมริกาส่งเครื่องบินมาไม่มีคนขับด้วยพี่น้อง เลยต้องยอมแพ้มันไปบางคนไม่แพ้นะชันชนะเอาละยกตัวนาไซนาอารีก็แล้วกันกลับกระสมครานพี่น้องนอนอยู่โคนต้นไม้พักพรอยู่โคนต้นไม้เราเนี่พักพรอยู่ในห้องแอของเขาพักพรอยู่โคนต้นไม้ต่างกันไหมเอาละต่างกันเยอะเลยพี่น้องก็เอาดาบมินอแขวนไวะ้ พออาบแขวนไว้ก็ตัวเองก็นั่งนอนหลับพี่น้องระวังที่หลับอยู่ได้มีศัตรูมาคำว่าศัตรูของอิสลามวันนั้นมีอยู่หกลุ่มวันนี้ก็มีอยู่ห้ากลุ่มเหมือนกันพี่น้องจะเหมือนเดิมนั่นแหะหนึ่งค่บ้านกาเฟ่กลุ่มกาเฟ่กลุ่มมุสลิม ก, กลุ่มมุนาฟิกยิวดี น, นัสโรณีวันนี้ก็อาจจะมีโฮมหกเป็นเจ็ดพี่น้องเอาละที่เป็นศัตรูนั่นพี่น้อง ไม่เห็นไม่อยากเห็นอิสลามเจริญไม่อยากเห็นให้บีมุฮัมมัดเป็นนบีไม่อยากเห็นซอบ้านนบีเป็นบุคคลตัวอย่างไม่อยากเห็นเลยอยากจะฆ่าฆ่าตายให้หมดก็วันนั้นก็เจอโอกาสดีฉันจะฆ่าไซนาอาลีวันนี้เอาดาบไซน า, าลีแขวนไวน้เนี่ยอามาจอที่คอไซนาอาลีถามว่าไมยัมนาโอกามิ น, นีถ้าฉันจะฟันคุณใครห้ามใครยับยัง้ง ไซนารีก็ลืมตาก็ตั้งสติอัลลอ์เพราะว่าอัลลอ์ยับยัง้งัวนั่นแหละดาบร่วงจากมือศัตรูเพน้องดาบร่วงน่ะพอร่วงปั๊บสซนารีหยิบดาบเลยพอหยิบดาบเสร็จแล้วก็ทำไงใช่ไหมก็ไปจ่อที่คอศัตรูนั่นแหละก็พูดประโยคเดียวกันไม่ยำนาอุกามินนีถ้าฉันจะฟันคุณน่ะใครมาห้ามยับยั้งไม่ให้ฉันฟัน คนนี้มันตอบไม่ได้ครัพี่น้องมันก็ถ่มน้ําลายใส่หน้าไซนาอาลีเลยพรวดออกไปไซนาลียิ้มฉันให้อภัยคุณเอาดาบวางคุณกลับบ้านได้แล้วเขาบอกฟันสิฟันสิบอกไม่ฟันยิ้มด้วยไปไปกลับบ้านให้อภัยให้อภัยทําไมไม่ฟันล่ะนี่แต่หากฉันฟันคุณตอนนี้นะคุณตายฟรีฉันก็ฟันคุณฟรีผลบุญไม่มี พราะฉันฟันคุณเพราะความอะไรเพราะความโกรธเห็นไหมฉันฟันคุณเพราะความโกรธทําอะไรด้วยความโกรธผลบุญมีไหมไม่มีครับพี่น้องฉันจะทําความดีบัลลังค์ทด้วยนะด้วยความตั้งใจที่สะอาดบริสุทธิ์หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺถึงจะได้รางวัลถ้าทําเพราะความโกรธกูฟันมึงเปรี้ยงมึงตายกูสะใจผลบุญเอาไปใครอะ ได้ความโกรธนี่มามาจากไหนมาจากอัลลอฮ์หรือมาจากไซตตอนอ้าวขอเชชัตอนมีให้อ่ะไม่มีให้นะพี่น้องเพราะฉะนั้นจะทําความดีความดีอยู่ที่อัลลอฮ์ทำความดีแล้วต้องหวังรางวัลจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบแทนสวรรค์ให้ถ้าไปฟันคนคนหนึ่งหรือด่าคนคนหนึ่งหรือประตบหน้าคนคนหนึ่งพี่น้องเราสะใจชนะแล้ว จะพ้น แ, แล้บุญเราไม่ได้เพราะทำเพราะความโกรธเห็นยังใครพี่น้องสนาลีกัๆคุณกลับบ้านแล้ฉันให้อภัยคุณเลยไอคนที่ให้อภัยในการ บ, บ้านเนี่ยไปเครียดต่ อ, อ, อใครสอนเนี่ยไอคำสอนแบบนี้นี่มันใครสอนให้โอ้โหทำไมมันชั้นหนึ่งจริงๆ อ, อ่ะอลอปี่น้องเครียดอยู่ปรามาหลายอาทิตย์เสร็จแล้วก็ไปไปถาม ไปถามคนที่เป็นมุสลิมนะเฮ้ยทำไมมันไม่ฟันกูวะเขาอธิบายว่าโกรธโกรธอลอลอพไปน้องพอเข้าไปศึกษาศึกษามีวันหนึ่งมาหาท่านนาบีอัชฮะดวัลลาอิลละอิลลอละอัชฮะดวนอัลลอฮ์มายอมรับอิสลามด้วยกาเป็นอะไรเพราะการสอบบัตอดทนของใครของท่านไซดีนาอาลีที่มีต่อศัตรูคนนี้เป็นเท่าไรพี่น้องครับนี่ไง อลัลลอฮ์สร้างมันวดานมาอลัลลอฮ์รู้ว่าควรจะเอาความรู้อย่างนี้เอาเอาเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วอิสลามมันจะเจริญและเราเองก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพี่น้องทําได้ไหมอิชาร์ลอห์นะอิชาร์ลอห์ทำได้พี่น้องแต่ต้องอดทนต้องฝึกบ่อยๆถ้าไม่ถูกฝึกไม่ได้พอไม่ฝึกปั๊บนี่พี่น้องพะไครพูดใส่หูผิดหูนิดหนึ่งลมขึ้นแล้วโอ้โหพี่น้อง นงต้องต้องและต้องฟังศาสนาเยอะๆต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีนั่งพี่น้องนะอออักบัตยิ่งใหญ่มากครับพี่น้องอต่อมาครับข้อที่หกยาดาตัวเองพี่น้องเคยด่าตัวเองเปล่าขนาตัวเองอ่ะตัวเองทำทายังไม่ถูกใจตัวเองมีไหมมีอัลลอฮ ยังไม่ถูกใจตัวเองมีไหมมีแล้วก็ตำหนิตัวเองแล้วมึงทำได้ยังไงอย่างอยอยางี้พี่น้องครับอย่าด่าตัวเองอย่าตําหนิตัวเองนะครับพี่น้องเอาต่อมาครับอัลลอฮ์สร้างลิ้นมาอัลลอฮ์ให้ดูแลลิ้นนะครับอย่าตําหนิอาหารอัลลอฮ์นี่ถูกกระลาบหมดเลยพี่น้องอย่าตําหนิอาหารนบีสอนอย่างงี้นี่เอารูปนบีมาอธิบายเลยนะนบีไม่เคยตําหนิอาหาร อิซาสตาฮาท่านนบีชอบอาหารมือไหนที่ถูกอกถูกใจอาการละหูนบีจะทานว่าอินการิฮาหูท่านนบีไม่ชอบเนี่ยนบีจะไม่ทานอยู่เฉยๆไอเรามายัางงั้นเพราะไม่ถูกปากกูแดกไม่ลงอัลลอฮฺไปพูดทําไมไอ้กูแดกกูแดกเนี่ยใช่ไหมแล้วเพราะว่าอย่างนี้ครับเนี่ยภรรยาที่อยู่ที่บ้านนะเสียใจล่ะ เอาลอพระยารมอาหารเน่ยเหนื่อยก็เหนื่อยตําน้ําพริกก็เหนื่อยอยู่หน้าเตาไฟก็เหนื่อยเอาลอพี่น้องชิมนู่นชิมนี่อยู่จะให้สามีกินแทนทีสามีจะ่เอออาหารเธอเนี่ยขอเตือขอน้ําตาลสักหน่อยได้ไหมขอเกลือหน่อยได้ไหมอาหารเธออร่อยมากแต่ขาดไปนิดนึงนี่ไม่พูดกูแดกไม่ลงเมียก็วัวกมึงก็ไปหาแดกที่อื่นก็นแล้วกูก็ไม่ทำมึงกินที่แล้ว พี่น้องเรื่องอย่างงี้ต้องรักษาปากเอาไว้รักษาลิ้นเอาหลอพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่ฟังศาสนาไม่เรียนศาสนาใช้ตอนมันพาเราไปหมดเลยครับพี่น้องทั้งหลายแล้วก็บ้านแตกสลาขาดก็ทะเลาะกันอะไรกันก็ตามมานะครับพี่น้องต่อมาครับนี่จะหมดเวลาจานยาซีนมาแล้วเหรอผมขออีกกินนาทีอีกห้านาทีพี่น้องครับอย่าประกาศของหายในมัสยิดรักษาปากเอาไว้ รักษาลิ้นเอาไว้อย่าประกาศของหายในมัสยินดนาฬิกาฉันหายเนี่ยฉันมาอาบน้ำน้ำมาสุราวนี้แหละไปยืนประกาศที่หน้าสุราว์นายิกาฉันหายใครเจอบ้างฉันอาบ น, น้ำน้ำมาติสุราวนี้แหละรู้เปล่านบีขออุทิศเผื่อไว้แล้วใครที่ประกาศของหายในมัสยิดอย่าอโลให้มันหายไปเลยให้มันหายไปเลย อยากให้ไอ้คนประกาศหายเนี่ยหาของมันให้เจอพี่น้องครับอ๋อพี่น้องเห็นยังครับมีอิสลามสอนดีไหมดีครับพี่น้องยกตัวอย่างพี่น้องออกไปไปเจอเงินพันบาทนี่หน้าอัญมุมเนี่ยถามท่านไปน้องว่าจะหยิบหรือไม่หยิบหยิบหรือไม่หยิบถ้าคนเข้าใจศาสนาเขาไม่หยิบพระหยิบปั๊บเป็นภา ร, ระต้องประกาศ ถ้ายิบพับเป็นภา ร, ะ, ร ะ, ะเลยนะฉันต้องประกาศในเงินของใครพันบาทใครเป็นเจ้าของมหาบ้างไม่ใช่เป็นรอสซาสะก้องให้ใครบอกยิบเป็นของฉันสายกระเป๋าเงียบเลยทำมองซ้ายมองขวา้คเป็นของฉันไปริสกีเพิ่มไม่ใช่พี่น้องเครีิวลุคโตของตกกลางถนนหยิบเป็นของเราไม่ได้ถ้าหยิบแล้วต้องมีภา ร, ะ, ร ะ, ะเลยต้องประกาศเอาไปใช้เองก็ไม่ได้พี่น้อง ทัศนาอิหมามชาฟีน่ะต้องประกาศหนึ่งปีนะ่ะเอามาถามขมาสนเอามา ส, ออมสวมนะหนึ่งปีต้องประกาศหาเจ้าของอโลพี่น้องครับจากนั้นเงินพน 2, ันบาทสองพันบาทหมื่นบาทล้านบาทที่พบบนรถแท็กซี่ไม่มีสิทธิ์เป็นของเรานะครับพี่น้องต้องประกาศหาเจ้าของไม่หยิบดีกว่าพี่น้องอโลฮุเอ็กวาร์พี่น้องถ้าหยิบพับเป็นภาระถ้าไม่หยิบธรรมดาใช่ไหมอโลเงินของฉันหรือเปล่า มาจำเบสได้อัลลอฮ์ทดสอบโอ้คนนี้เก่งๆอัลลอฮ์จะเมตตาคนนี้เมตตานะครับพี่น้องเอาต่อมาครับอย่าไปขออื่นจากอัลลอฮ์อันนี้พูดแล้วข้อสิบข้อสุดท้ายพี่น้องครับรักษาลิ้นนะพี่น้องนะตอนเช้าขึ้นมาพี่น้องออกจากมัสยิดแลืว อ, ออกจากบ้านมาเจอฝนตกโอ้โหเมื่อคืนนี่หน้าบ้านนี่สะอาดสะอา้านต้ น, ตนไม้เขียวชะอมเราว่าอย่างนี้เลยพี่น้อง เมื่อคืนเนี่ยฝนตกมีลูกชายยืนอยู่ข้างๆลูกรู้ไหมที่ฝนตกเมื่อคืนเน่ยเพราะดาวหางมันมาอาว่าอย่างนี้พี่น้องเพราะดาวหางสามัยก่อนดาวหางเฮเล่เฮเล่ใช่ไหมดาวหางเฮเล่มาทําให้ฝนตกทำใหรัฐมนตรีกระทรวงนี้พังรัฐมนตรีต้องเปลี่ยนใช่ไหมอ้างอะไรนะอ้างดาวอ้างเดือนอ้างสิ่งบนทองฟ้าพี่น้องทําให้ เพราะดาวดวงนี้บินผ่านเดินวิ่งระมาผ่านโลกดุนยาใบนี้ทำให้รัฐบาลเปลี่ยนทำให้มูลิตี้แอร์มีปัญหาพี่น้องไม่ใช่เกี่ยวกับดาวกับเดือนไม่ต้องเลยไม่มีอะไรเลยพี่น้องทั้งหมดมาจากอัลลอฮสุบฮานาหูบาดะลาข้อสุดท้ายตอนสี่ทุ่มนกแขกบินแขวคนตายนี่ง่ายพี่น้องครับขาสอนแชร์ขายสอ น, สอนโต พูดว่าเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยจำสนิทที่ครูตบบสุเราไม่เข้าใจกันสักคนหนึ่งพี่น้องอิหมามอ่านพระทียาอิตตะกุลลอให้กูอัลลอ์คนฟังนั่งหลับที่โต๊ะสอนที่บ้านพี่น้องแค่นกแขกบินผ่านลังคาเนี่ยโอ้โหพี่น้องจำเหลอะเกินจริงจบทักก่อนจะออกไม่ออกไม่กล้าออกต้องนั่งสักยี่สิบนาทีพี่น้องใครสอนโตสอน ที่นบีสอนน่ยอย่าไปเชื่อนะสิ่งเหล่านี้นะเป็นของข้ารมทั้งหมดนะไม่จำแล้วผมอานคุรานะย่านี้มาอธิบายนะครับอัลลอฮอัลลมุมันขอละกะว่าหวแล้วตีฟูลขอบีพระองค์ผู้ทรงสร้างอัลลอฮฺจะไม่ทรงรอบรู้กันนั้นหรือสร้างลิ้นมาสร้างมือมาให้ทําอย่างนี้อย่างงี้อย่างงี้อย่างนี้อัลลอฮฺจะไม่รู้หรือ ถ้าทำผิดเราจะลงโทษยังไงเอาล็อเป็นผู้ทรงรู้อย่างละเอียดแล้วก็ผู้ทรงตะหนักเสมอไปน้องชีวิตของเราเนี่ยเอาล็อกําหนดแล้วนะนะครับถ้าทําดีได้ไปสวรรค์ถ้าทําไม่ดีก่อนตายต้องเตาบ้าเตาบ้าตัวโกงนะครับไปน้องสารภาพผิดเอาล็อกเตาบ้าตัวอะไร ย, ยังไม่ทําความดีก็ไม่เมียมหาขอัญเตาบ้าไปน้องด้ยเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่อะมีอยู่คนนไงมั้งฆ่าคนมาเท่าไหร่นะ 99คนแล้วก็ต้องการจะกลับตัวเป็นคนดีไปน้องไปหาใครจะใครก็ไม่เจอไปเจ อ, ไปเจออยู่คนยืนนั่งอยู่ในสุรานึกว่าเป็นอาเลมอุลมามะแต่ว่าฟอร์มฟอร์มโต๊ะครูฟอร์มอาเลมอุลามะใส่โต๊บดีใส่ซาลาบันสวยนั่งอยู่ที่ที่สุราไปถามว่าท่านครับผมฆ่าคนมาแล้ว99้วบศพฉันจะเตาบ้าตัวเป็นคนดีได้ไหมเขาบอกไม่ได้ อันนี้ลมขึ้นเลยข่ามันตายดสโซลา่าอีกคนกลายเป็นร้อยหนึ่งไปน้องมันก็เครียดอีกไปน้องเขาไม่แนะนําให้ไปหาโะครูไปหาอาเลมโอลมาก็ไปหาอาเลมไปถามว่าผมเนี่ยฆ่าคนมาแล้วร้อยคนจะตา บ, บ้าดัวได้ไหมได้อลลอร์ไปน้ อ, นองใจชื่นเลยไปน้องครับเขาก็แนะนําว่าคุณต้องไปอยู่หมู่บ้านอื่นนะหมู่บ้านนี้ห้ามอยู่นะเพรเพื่อนคุณมันเยอะ อพยพพี่น้องเดินทางไปยังไม่เทันถึงหมู่บ้านที่เขาให้ไปไปกลางทางพี่น้องไปเสียชีวิตกลางทางอัลลอฮ์มีปัญหาว่มลัยกามาเอาวิญญาณจะเอาเขานารกเอ า, เาสวรรค์อัลอลอฮ์ส่งมาให้ตัดสินให้ไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุภาพนะฮูวัดอลัลาอยู่ในกลุ่มคนดีพี่น้องมันยังไม่ทําความดีในพี่น้องเพียงแต่ตั้งใจจะเป็นคนดีอัลลอฮ์ยังเมตตาถึงขนาดนี้จะนั่งพี่น้องครับ อย่าทําความชั่วจงกระทั่งพาติดลงไปอย่าทําชีริกพาติดลงไปอย่าทําบิดาพาติดลงไปอย่าทําความชั่วพาติดลงพอรู้เราเนี่ยอายุเยอะแล้วพี่น้องครับนี่กระแกแล้วนะสี่สิบห้าสิบหกสิบต่าบ้าตัวเดียวเดีวยวไปทั้งเลยอัสตักฟรุลลอฮิวาตูบุลัยเล่มหาอาจารย์กรณีนี่จะนมาดทำยังไงอ่านกรุ๊อ่านทำยังไงมีคนสอนอยู่แล้วนะพี่น้อง Allah ได be ah uh ้ Ayah เดีก سبحانك ALLAH ไม่อบายครับซุลเลาะห์อิลลัฮ์อิลลัฮ์องค์พระองค์ Astaghfirullahu bi lailik Bismillahirrahmanirrahim a l h a m u i l a i r a a s s a l a m u ala a s u m b i y a h dan u l l a h wa s a l a m a m i i Subhanakalain m e l a illa ma alamtana إنك أنت ع ل م الحكيم ولا حول و و ة إلا بالله ع ل ي العظيم ش ر ح لي د ر ي ص ر لي أمر وحل الأقدام لسان يفكه ك و ف ت ح بيننا و ب قومنا بالحق و أ ت خ ا ل ف ي ن ا س ل ا م عليكم ورحمة الله و ب ر ك ت ه ขอบคุณมาทยินดี ความไม่แต่กรณีจากองค์สุภานุโฮวะตะราจุมิแดงท่านอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นศุขท่านอาจารย์นบูร์กานีคุณชุ ก, กรครับท่านพี่น้องมุสลิมีนมุสลิมะทุกท่านครับที่อยู่ที่สมาคมอัญมณีอิสลามมีเป็นที่ตั้งของสมาคมอิสลามเพื่อการาเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคมนะครับพี่น้องทุกท่านครับที่อยู่ที่ศูนย์ครับศูนย์เรียนรู้อิสลามที่ประจำสา ข, ขาของเราที่อยู่ที่อยู่ต่างจังหวัดเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่อุดร อ, อยู่ที่หนองคายอยู่ที่พังงาอยู่ที่สตูลนะครับพี่น้องของเราขณะ น, นี้กําลังรับฟังอยู่แล้วก็อยู่ร่วมกับเรานะครับวันนี้นะครับก็คงมีเรื่องต่อเนื่อ ง, อองมาจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับในเรื่องของวิชาการก็เดี๋ยวก็จะต่อกันนะครับว่าเรื่องของวิชาการนั้นท่านอา จ, จารย์มุสตฟาอยู่เป็นสุขนะครับท่านเน้นในเรื่องของตัปเตศนะครับที่เราได้เข้าใจกันนะครับส่วนผมนั้นจะมาเน้นในเรื่องของฮะดีษ โดยจะยึดเอาฮะดีษอร์บอเนอันนาโววียะ40ฮะดิษของท่านอิหมัมนาวีที่ท่านรวบรวมเอาไว้นะครับเป็นกรอบเป็นหลักครับในการอภิปรายเอ่อในการบรรยายในการนําเสนอนะครับซึ่งวันนี้ก็นําเอกสารนะครับเป็นเป็นชีตมาแจกทุกคนเลยนะครับส่วนพี่น้องที่อยู่ที่อยู่ตามสูนนะครับน่าจะต้องโหลดครับเข้าไปโหลดในในในเว็บไซต์ของอิสลามเฮาส์มานะครับแล้วก็น่าจะแจกจ่ายกันได้นะครับนะครับนั่นคือ อ่าะดิษนะครับทำให้เราได้เห็นภาพนะครับว่าแนวทางการเรียนการสอนของสวคมอิสลามเพื่อการอีหม่าเพื่อการศรัท ธ, ธาและพัฒนาสังคมแล้วก็ส่ง น, นรู้อิสลามนะครับในการอบรมหนึ่งหนึ่งเดือนต่อครั้งเนี่ยครับที่ท่านอาจารย์อุษสาฟาอยู่เป็นสุขนะครับเป็นหัวเรือใหญ่เลยผมก็จะเป็นคนรองลงมาจะนิยึดก็คืออันกุรอานแล้วก็อันฮะดิษ นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นหลักการที่สําคัญอิสลามเรานะครับก็ทำโดยทีละนะครับมีทั้งกุรอานมีทั้งคัดิสนะครับแล้วก็เราก็จะเดินตามตามแบบนี้ไปอย่างมั่นมั่นนะครับครับนั่นคือเรื่องวิชาความรู้เรื่องวิชาการแล้วก็วันนี้ช่วงท้ายนะครับผมได้นัดกับท่านอาจารย์มณฑนานะครับท่านนายกสมาคมอิสลามเพื่อการอีหมานและการพัฒนาสังคมเรานะครับวันนี้เชิญว่าฮะในช่วงท้ายเนี่ย ท่านอาจจะมาร่วมกับเรานะครับท่านไม่คิดสบายเท่าไหร่นะครับกระปากไว้ว่าท่านจะมาในช่วงแรกแต่ว่าเมื่อกี้ประสานกับบางเยอรีนะครับเลขาของโครงการศูนย์นรู้อิสลามเรานะครับก็ท่านแจ้งว่าเดี๋ยวเชลาฮะเดี๋ยวช่วงเทย้ายท่านอาจจะมาอาจจะมาเกินะครับว่าศูนย์เรานะครับจะเดินเป็นอย่างไรนะศูนย์นรู้อิสลามซึ่งเรารวมตัวกันเริ่มกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจากการที่เราอบรมอาลับกันแบบเนี้ยทุกเดือนละหนึ่งครั้งเดือนละหนึ่งครั้ง ครับเสร็จแล้วเราก็มีการต่อยอดกันเรามีการเข้าสัมมนากันเมื่ อ, <S <S เ, มอเมื่อสองเมื่อปีที่ผ่านมานะครับค่ายเกี่กับมูอัลลัฟนะครับเสร็จแล้วเราก็ต่อเ น, นื่องกันมานะครับจระทั่งว่ามันขยายออกไปครับเป็นศูนย์นรุ่อิสลามตอนนี้มีอยู่สิกว่าสิบอยู่กว่าสิบกว่าสาขานะครับอันนี้สี่ห้เดือนที่ผ่านมาเนี่ยการเดินการทํางานของสมาคมสาขาเราเนี่ยเดินกันยังไม่เป็นกระบวนกเท่าไหร่นะครับยังไม่เป็นรูปร่างก็วันนี้ คิดว่าน่าจะมีการแนะนําตัวแปรสําคัญอีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงช้าช่วงค้ายถ้าอาจารย์มนัสไม่มาเดี๋ยวผมก็จะเกิด น, นะครับในเรื่องนี้ก็เกิดเกิดกันไว้ก่อนนะครับครับวันนี้าทาเลยแล้ครับดีใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่มีโอกาสได้มาถ่ า, ายทอดนักวิชาการมาโดยเฉพาะนะครับได้มีโอกาสมา ร, มาร่วมกับครูครับปรมาจารย์ ครับแล้วก็เป็นหนึ่งในไอดอนนะครับหนึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นต้นแบบของผมนะครับคือท่านอาจารย์มุสตาฟานะครับในเรื่องการการากรสอนในเรื่องการยืนหยัดในเรื่องการถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายทอดนะครับดันฝังอาจารย์มุสตาฟาพูดเรื่องใดก็สบายใจทุกเรื่องใช่ไหมครับผมก็พยายามพยายามทําแบบท่านนะครับแต่ก็ยังได้ยังได้ไม่เท่าที่ควรแต่ด้วยความตั้งใจครับว่า ก็ต้องแบ่งกันต้องบอกกันนะฮะในเรื่องของวิชาการในเรื่องสิ่งที่เป็นข้อมูลทงญญางศาสนามนเทจามุสฟาได้เกินเกนไว้นะครับว่าการทรี่เราได้รับอิสลามนะครับถือว่ามันเป็นเป็นสิ่งสุดยอดในชีวิตเราใช่ไหมครับนันพี่น้องโมอัลลัฟหลายคนจะอยู่ในที่นี้พี่น้องมมอัลลัฟนะครับที่อยู่ที่ตามส่วนต่างๆนะครับก็จะจะจ ะ, จะลึกซึ้งในคําที่ผมพูดนี้เป็นอย่างดีครับ ว่าที่ได้เข้าใจในอิสลามถือว่ามันเป็นมันเป็นบุญมันเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตของคนคนหนึ่งครับที่ได้รับรู้ในเรื่องของอิสลามครับได้มารู้อิสลามได้รู้จักอัลลอฮ์ได้รู้จักพระเจ้ากับได้รู้จักหลักธรรมคำส่งของอิสลามซึ่งมุ่งเน้นให้เรานั้นได้รับความสุขได้รับความสําเร็จ นะครับทั้งโลกนี้และโลกหน้านะครับจึงถือว่ามันเป็นไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ามากไปกว่าสิ่งที่เราได้รับในอิสลามใช่ไหมครับนั่นหนึ่งในวันนี้ฮะเราก็จะมาขยายนะครับว่าสิ่งที่เป็นความดีนะฮะที่สลาวสอนเราไว้นะครับแล้วท่านิหมารนาอวีได้มารวบรวมไว้เป็นฮะ ด, ดิษคัดเลือกมานะครับ 4.2 ฮะดีษนะครับในหนังสือของท่านเนี่ยเป็นหนังสือที่ครอบคลุมถึงถึงจิก๊กซอนะครับต่างๆที่มันประกอบเป็นอิสลามเรานะครับมิติต่างๆที่ก่อรูปร่างเป็นอิสลามเรานะครับแต่ละเรื่องก็จะเฉพาะเน้นในแต่ละเรื่องไปนะครับทำให้เราเห็นภาพรวมว่าอิสลามมีความสมบูรณ์โดยจิก๊กซอแรก ที่จำได้ว่าผมนำเสนอไปไว้ในั้งในเบื้องต้นไว้แล้วนะครับฮะดิษสุนทรฤฤทรรั์สุรรัตน์สุรธรรมครับจะจะให้ทุกคนได้มีมีชีพฉบับนี้นะครับหน้านี้นะครับมีมีแล้วใช่ไหมครับมาดูนะครับนั้นฮะดิษนะครับการงานทั้งหลายนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาอัล อ, อมาลูบินนี้ยะ ห a d i t นี้ลาันอนอาบิอามิรผูมุมีนีนอบิฮับซินอุมรับนขัตตาบริลลาวะอะนุฮฺกล่าวว่าซิอตุระซุละะะะะะะะะะะะะมะะะะะะะะะะะะะะะะะะนาะาะะะะะ ฟังมั่งแกเนตลลฮิจา ร, รตุห์อิลลัลลอฮิวะรอซูลิฮิฟะฮิรตอิลอูลิ้ก็ตามที่เขเจตนาหรือเขาอพยพไปเพื่ออัลลอ์เพื่อรอซูลเขาก็จะได้ได้ผลบุญครับจบะอัลลบฮ์ سبحانه ล ว่ามันแก่ฮิจราตุโหดิลยญายุสีบูฮาเอาอิมราตินยังกิบูฮาและผู้ใดก็ตามทับที่การอุปยศของเขาหรือการตั้งเป้าหมายของเขาเจตนาของเขาเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ในโลกดินยานี้นะครับเขาก็จะได้รับสิ่งนั้นนะครับหรือถ้าเขาเจตนาว่าในการอพยพในการเดินทางของเขาเนี่ยเพื่อผู้หญิง เขาก็จะได้หนีกักับนางแต่ไม่ได้รับผลบุญนะครับสรุปคืออะไรฮะฟอร์ฮิจรอตูฮูอีลามาฮะเะรออีไรเขาอพยพเพื่อสิ่งใดเขาก็ได้สิ่งนั้นแหละเขาตั้งใจเพื่อสิ่งใดเขาก็ได้สิ่งนั้นนั่นแหละ น, น, นะครับใน hadis เนี้ยนะครับเป็น hadis ที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งนะครับคําถามคือทําไมท่านอิมาท่านอิห ม, มามนาวีนะครับท่านได้บรรจุห a d i s เนี้เยเลือกห a d i s นี้มาเป็น hadis แรกในการอธิบาย อ่าหนังสือของท่านหรือเราจะพบว่าทุกหนังสือนะครับที่ม่ำนาวีแต่งนะครับท่านจะคัดเลือกฮาดิษนี้ยเอาไว้เป็นฮาดิษบทแรกเลย mm hmm. ก็อันเนื่องมาจากความยิ่งใหญ่ของฮาดิษนี้บางท่านเปลียบนะครับว่าฮาดิษนี้เปลียบเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของอิสลามเลยก็ว่าได้เพราะอะไรฮะก็เพราะศาสนาของเรานั้นสิ่งที่เป็นอมามันอิบะดาสิ่งที่เป็นความดีนะครับ อัลลอฮฺ سبحانه จะรับเนี่ยมีเงื่อนไขสองประการหนึ่งครับหนึ่งคือ อ, อัอลรอาสความบริสุทธิ์ใจเพื่อเอาอลอฮฺ س ب ح ا ต ه อุทาเป็นพระองค์เดียวประเด็นที่สองสิ่งนั้นต้องมูตาบะฮรอสซุลิลละฮิซัลลอฮฺอัลลอซัลลัมสิ่งนั้นต้องต้องถูกต้อ ง, ต, องตามแบบฉบับแบบฟอร์มที่อัสซุลลัลซัลลอฮอัลซัลลัมนำมาบอกกับเรานั่นคือเงื่อนไขสาคัญนะครับว่าภายนอกแล้วก็ภายในภายนอก นั่นคือสิ่งนั้นจะต้องถูกต้องมีฉลัดเงื่อนไขอย่างไรการละหมาดมีนบีละหมาดอย่างไรเงื่อนไขอย่างไรครับฟอรดูนะครับในการละหมาดเป็นอย่างไรโุนัดเป็นอย่างไรนั่นคือองค์ประกอบภายนอกนะครับสององค์ประกอบภายในครับองค์ประกอบภายในซึ่งมีความสําคัญยิ่งกว่าองค์ประกอบภายนอกที่ซ้ำไปครับคือ เ, เรื่องความอิคลาสความที่เราการที่เรามีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺสุบฮาบะฮานีอุตะลาเนี่ยแหละครับเปลี่ยนง่ายๆนะครับว่า ความดีที่เราทยกตัวอย่างละมาดเนี่ยละมาดที่อรรถสุภาโดะตาทรงรับนั้นมีเงื่อนไขสองประการนะครับ K หนึ่งถูกต้องสองมีความอิคลาสนะครับถ้าเปรียบให้เห็นชัดอีกก็เหมือนกับในตัวเรานะฮะ ร, ร่างกายเรามีร่างแล้วก็มีวิญญาณใช่ไหมครับมีร่างก็มีวิญญาณถ้ามีมีร่างอย่างเดียวไม่มีวิญญาณแสดงว่าแสดงว่าน่าเป็นห่วงแล้วใช่ไหมครับแสดงว่าต้องนาไปฝังแล้วนะฮะนั้นร่างกายเราเนี่ฮะ ต้องมีร่างแล้วก็มีวิญญาณถึงจะถึงจะองค์ประกอบเป็นมนุษย์นะครับถึงเราจะเคลื่อนไหวได้นะครับนั้นถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราก็ไม่อาจที่จะมีชีวิตได้เช่นเดียวกันเลยนะครับละหมาดนะครับละหมาดเพียงแค่ร่างของละหมาดละหมาดที่ครบฉรูดเ ง, ง, งี่ยนไขสยุดอย่างนั้นละปรกัวอย่างนั้นอย่างนี้แต่เสร็จแล้วนั้นเราไม่มีความเป็นสุดใจเพื่อเรอดสุภะในวาระละหมาดก็เหมือนเป็นร่างที่ไร้วิญญาณนั่นแหละครับเป็นละหมาดที่ขาดความที่คลาสหรือ อามาันอิบะดาห์ความดีใด ๆ, ๆก็ตามครับที่เราได้ทํานะครับวันนี้เร า, าเรียนหนังสือเราอ่านกุรรณาเราทํซาละก็ทาบุญครับโอเคอ น, นี้ถูกต้องถูกฉลาดเงื่อนไขแต่ถ้าไร้ซึ่งความอิคลาสไร้ซึ่งความเบื่อสุดใจเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานิวะตาลามันก็เปลือยเสมือนเป็นอิบาดาห์เป็นซาละก็ที่ไร้วิญญาณนะครับเป็นการเรียนหนังสือที่ไร้วิญญาณคือไม่ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺสุบฮานิวะตาลาจรถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับ เป็นเรื่องใหญ่ที่แม้แต่ผมเองแล้วก็ผมสังเกตเห็นคนทั่วไปนะครับถือว่าเราขาดความสําคัญในจุดนี้นะครับสังคมเราในปัจจุบันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรเราในในที่เราได้สัมผัสนะครับกับผู้คนส่วนใหญ่เราจะพบว่าความเอกลักความเป็นศูนย์ใจในเรื่องนี้นั้นมันมันมีค่ายิ่งกว่าทองผมก็เลยจะบอกว่าเราพบน้อยมากครับ สิ่งที่มีคุณค่าคือสิ่งที่น้อยใช่ไหมครับมันจะมีคุณค่ามากนะครับเพชรพลอยในถ้าหากว่ามันมีกันเยอะเนี่ยมันคุณค่ามันน้อยราคามันราคามันไม่แพงหรอกแต่วันนี้นะครับเพชรหรือพลอยนะครับที่มันหมดไปเมื่อวานนี้ผมคุยกับพ่อค้าเพชรนะครับคุยได้เจอกับเขานะครับเขาบอกว่าตอนนี้แทบพิมสยามเนี่ยพลอยของจันบ้านเราเมืองจันบ้านเราตอนนี้มันหายยากแล้วราคาแพงมากเลยก็เพราะว่ามันหาไม่เจอแล้วตอนนี้มันหมดไปแล้ว นั้นบบตอเ น, นี้ยคลาสความเป็นสุดใจเนี่ยมันเหมือนว่ามันกําลังจะจางไปมันเหมือนจะเหือดแห้งไปจากสังคมเรานะครับทําให้เกิดปัญหากับตัวเราปัญหาในสังคมนะครับคิดกันง่ายๆในวันนี้นะครับต่างคนต่างทางานศาสนาเนี่ยนะครับผมก็ทํางานศาสนานะครั บ, าสาสนานรบอาจารย์อับดุลกรนี้ก็ทํางานศาสนาบางอดีก็ทําศาสนาวันนี้ถ้าคําตอบไม่ชัดว่าทําเพื่อใครนะฮะมันจะมีปัญหาตามมานะครับเพราะอะไรฮะเพราะผมก็คิดแบบผมนะครับ องค์ความรู้ผมบริบทผมจะคิดแบบผมอาจารย์โดราเนีก็จะคิดแบบอาจารย์อบดุลการีนใช่ไหมครับบางกะรีก็จะคิดแบบบางบกะลีใช่ไหมครับนั้นวิสัยทัศน์บางทีมันก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับนั้นถ้าหากขาดไร้ซึ่งความเอคลากซึ่งจะเป็นตัวที่เป็นเหมือนน้ําวสายเป็นน้ําทิพที่มาประสานครับน้ําประสานที่องค์ความรู้ต่างกันบริบทต่างกันแต่ถ้ามีความเอคลากโจทย์คืออะไรฮะเป้าหมายเพื่ออาะไร เพื่อดํารงไว้ซึ่งศาสนาของอลอสสุภาในวาตลาถ้าแบบนี้ชัดๆปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่เข้าใจวิธีการต่างกันทํางานไม่เหมือนกันมันจะคลายวิกฤตไปนะมันจะไม่เกิดปัญหาหรือถ้าจะเกิดปัญหามันก็จะเกิดน้อยที่สุดใช่ไหมฮะเพราะอะไรฮะเพราะเป้าหมายเรามั่นเป้าหมายเราชัดๆทําเพื่ออัลอสสุภาในวาตลาสิ่งที่เราทําในวันนี้ทําเพื่ออลอสสุภาในวาตลาทำเพื่อสวรรค์ ทำผู้แสวงหาความปรปานจากล้อสุภาโนวาตาลางถ้าแบบนี้ชัดเรื่องอื่นมันจะเรื่องเล็กนะครับแต่ในวันนี้ถ้าเรื่องนี้ไม่ชัดนะฮะแน่นอนนะปัญหาเกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ได้ซ้ําไปครับในการทํางานในองค์กรปัจจุบันนี้ถามว่าวันเนี้นะครับองค์กรต่างๆที่เห็นต่างกันจ น, จนกระทั่งนำมาสิ้นการทะเลาะเบาะไว้กันนะฮะไม่มองหน้ากันไม่เห็นสลามกันบางครั้งจุดคืออะไรฮะถ้าถามว่า ไอสิ่งทุกคุณทําเพื่ออะไรฮะคาพูดของคุณการกระทําของคุณเพื่ออะไรถ้าตอบโจทย์ว่าเพื่ออัลลอฮ์แน่นอนถ้าเพื่ออัลลอฮ์ยังไงเดี๋ยวมันจะหาจุดที่มันประสานกันได้ครับแต่ในวันนี้ที่ฐิที่เกิดขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะความอ e ิคลาสเนี่ยฮะมันเป็นเพียงแค่คําแต่ขาดการปฏิบัติใช่ไหมครับว่ามันไม่มันยังไม่ใช่อ่ะมันยังไม่ถึงจุดแต่มันยังไม่มันมันยังไม่เข้มแข็งพอเนะี่ยที่จะสามารถที่จะทําให้เราก้าวผ่าน กับปัญหาที่ติที่เกิดขึ้นปัญหาที่มุมอมองต่างกันครับไม่สามารถที่จะมารวมกันได้เพราะว่าสิ่งเนี้ เ, เราตกความว่าเอกลักษนั้นยังไม่ถูกต้องความเอกลักษ์ที่แท้จริงมันยังไม่เกิดขึ้นมันจึงปัญหาเกิดมาใช่ไหมฮะนั่นคือความเอกลักษที่มันเกี่ยวข้องกับมิติการทํางานของมุสีในปัจจุบันนี้เราก็คนพบเราอ๋อใช่แล้วปัญหาที่ลึกๆถาว่าทําไมทําไมจริงทะเลาะกันทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมทําไมทําไมสรุ ส, รสุดท้ายผลก็คือ ก็เกิดแล้วครับคำว่าเพื่อ Allah เนี่ยความอิคลาสเนี่ยมันไม่ชัดชัดอิคลาสชัดแน่นอนจะทําเพื่อตอบเพื่อ Allah เนี่ยฮะวิธีการต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกันเดี๋ยวเราสามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้กอดคอไปไปด้วยกันได้ถ้าเราเจอปัญหานะครับมีปัญหาอย่างหนึ่งแล้วก็เราสามารถเรามันเป็นปัญหาหนักมากเลยครับเราจะทํำยังไงฮะคนสองคนฮะคนที่หนึ่งแน่นอนปัญหาหนักมากนะ่ะ หีหนีปัญหาได้เลยครับหนีปัญหาได้เลยไม่ทำเลยคนที่สองหาวิธีแก้ปัญหานั้นใหม่มั น, นคือคนที่ประสบความสําเร็จนะครับหาวิธีแก้ปัญหาใหม่โดยที่เป้าหมายเป้าหมายนั้นชัดๆเป้าหมายคือยังมีเป้าหมายอยู่เป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลงแต่วิธีการอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ัวอ้นี้เป็นผมคิดบ้างมันเป็นหลักในการคนที่ทํางานเลยนะครับคนที่ทํางานตั้งแต่ทํางานระดับองค์กรเล็กๆไปจนถึงองค์กรใหญ่ๆนะครับหรือแม้แต่ปัญหาชีวิตเรานะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้นะฮะถ้าเป้าหมายเราชัดๆแล้ววิธีการมันอาจจะแตกต่างกันนะฮะหาวิธีนี้แก้ปัญหาไม่ได้ก็หาวิธีอื่นในวันนี้ที่เรายังไม่สามารถที่ประสานกันได้เราก็ลองหาวิธีอื่นนะครับหาวิธีอื่นที่จะทํางานร่วมกันหาวิธีอื่นที่จะกอดคอไปด้วยกันคําพูดดีๆให้กําลังใจกันนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีๆที่มอบให้สิงกันและกันมันก็จะเป็นสิ่งดีๆที่นํามาให้เกิดขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นผมถือว่าเรื่องความอิคลัสนะฮะมันเป็นวาระ วาระแห่งแห่งมุสลิมเรานี่ยครับว่าต้องพยายามทําเรื่องนี้ให้มันชัดเจนนะครับให้มันให้มันเกิดขึ้นนะผมได้เคยอธิบายนะครับว่าคำว่าคลาสความบรุสุดใจนะี่คือทำนะครับเพื่อสแสวงหาความโปร่งปางจากอัลลอฮฺสุบฮานูร์นะไม่ได้เพื่อหวังประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นไม่ได้เพื่อหวังประโยชน์ที่เป็นอิศสินจ้างเป็นเงินเป็นทองเป็นค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่เป็นคําชมคําเยินยอ ไม่ใช่เลยฮะมันคนที่อิคลาสซี้แท้จริงคืออะไรฮะเสวงหาความโปวดปางจากรองสุภาพบุรุษอะไรอย่างอย่างร้อยเปอร์เบริสุทธิ์ร้อยปเซนั่นคือยิ่งใหญ่เลยนะฮะท่านดับบลูบัคเคเล่าให้ังแล้วคนที่ฟังนะครับอยากจะเน้นอีกครั้งหนึ่งของคนที่ไม่มีโอกาสจะฟังแต่ทุกครั้งผมว่าคนที่เคยฟังแล้วนะฮะมันก็จะเป็นทุกครั้งที่ฟังเรื่องนี้แล้วจะเป็นพลังเป็นแรงบันดาลใจอย่างดีเลยครับสําหรับสถานการณ์ที่ที่เรื่องอิคลาสมันกําลังกําลังเหือดแห้งไปจากสัังคคมเรรานะบ ครา้งหนึ่งท่านอาบูบักบท่านอบูบักประสิทธิ์บิกจะปล่อยท่าให้เป็นไทยนะฮะท่านก็ไปเลือกเอาท่าที่มีร่างกายอ่อนแอฮะไปเอาเลือกเอาคนสตรีเอาคนชารามานะครับเพื่อที่จะปล่อยให้เป็นไทยตอนนี้พ่อนะครับอบูกุฮ่าฟะสังเกตกับสังเกตเห็นลูกจะทําจะทําบุญแล้วไปเอาคนแย่ๆมาเนะี่ยมันกลัวว่ามันจะได้อ่าน่าจะได้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยนะก็มาแนะนําว่าลูก ลูกจะแนะนะลูกจะปล่อยท่าเป็นไทยเนี่ยทำไมลูกไม่ไปเลือกเอาคนผู้ชายที่มีร่างกายแข็งแรงและ่ะเพื่อเมื่อคนเหล่านี้เป็นไทยไปแล้วนั้นเขาจะมายังประโยชน์ให้กับลูกมาช่วยเหลือลูกเอาเงินเอาทองมาให้กับลูกหรือยังไงผลประโยชน์มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ท่านนบูบักเนี่ยกล่าวสั้นๆนะฮะเราก็โอ้โหมันกินใจมากเลยฮนะกินใจมากเลยจนกท่านคําพูดของท่านนั้นเป็นสารบบในโซนข อ, อัญอัลกุรอานเลยนะฮะท่านบอกว่าพ่อครับสิ่งที่ลูกทํา ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์จากผู้ใดแต่สิ่งที่ลูกทำลีมารุกอตินะทำเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากลัสุิบาฮานวาตาล์นั่นแหละครับความหมายความอิกลาสที่ท่านอบูบักนะครับอธิบายให้เราดูอย่างลึกซึ้งเป็นแบบนี้นะฮะพ่อครับ สิ่งที่ลูกทําไม่ได้ทําเพื่อหวังประโยชน์จากผู้ใดไม่ได้หวังประโยชน์จากท่าที่เป็นที่ปล่อยเป็นไทยแล้วเขาจะกลับมาเอาเงินมาให้ลูกหรือมาช่วยลูกหรือจะชมลูกลูกไม่ต้องการแต่สิ่งที่ลูกทําลูกเลือกเอาคนอ่อนแอเอาผู้เอาเด็กเอาผู้หญิงเอาคนอ่อนแอมานั้นยิ่งยิ่งได้คนอ่อนแอยิ่งใครก็ตามที่มีความจําเป็นจะต้องได้รับการปล่อยเป็นไทยมากเท่าไหร่ลูกยิ่งได้รับผลบุะมากยิ่งขึ้นลูกต้องการแบบนี้ ลูกนั้นต้องการมรดดลินละต้องการความโปรดตาจากลัทธิสุภามีวาตาละนะครับนั่งคือสิ่งนี้ท่านในบุบักฉายภาพพรปเห็นใช่ครับใช่ไหมฮะเป็นความยิ่งใหญ่ที่ลัสุภามีวตาได้ได้ได้ได้ฉายภาพเราเห็นครับ ว่ามา لأحد عنده من نعمة ت ج َ ى إلا بتغأ وجه ربه العالى ولا سوف يربو آية قرآن آية สองสามอันนี้จริงถูกประทานมาอันเนื่องมาจากสาเหตุการกระทาของท่านอบุบักยืนยันว่าใช่เลยอันนี้คือความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจนะครับครับว่ามา لأحد عنده من نعمة تجده إلا بتغأ وجه ربه ا ل ع ا แทนบุญคุณ ر ب و แต่สิ่งที่กราทำนั้นลีมารุลจรินละทำเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากลัทสุภานุวตาทำเพื่อต้องการผลบุญจากลัทธิทำเพื่อแสวงหาทำเพื่อแสดงการเป็นบ่าวที่ดีของลัทสุภานุวตาละ นั่นคือสิ่งที่อบูบักตั้งเจตนาอาลัลลอฮ์สัญญาว่ายังไงว่าละเซ า, าฟยายอรอบบอต่อมาคนแบบนี้คนแบบอบูบักแบบนี้นั้นต่อไปนั้นเขาจะได้รับการพรึงพอพระทัยจากอาลัลลอฮ์สุบฮานูอ่ตาตาลงั้นกลับมาดูเราครับในวันนี้นะครับวันนี้ที่เราทําความดีที่เราละหมาดโดยเฉพาะที่เราสระรก้อนนะครับคําว่าเรามีความรู้สึกเหมือนที่ท่านอบูบักได้ฉายภาพเราเห็นไหมครับว่าเราเราได้แบบนั้นไหม วันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ถึงจุดนั้นจะแสดงว่ามันเป็นการบ้านนะเป็นเป็นการบ้านนะครับเป็นวาระอันยิ่งใหญ่เลยครับที่เราจะต้องใส่ความสําคัญลงไปเพราะอะไรฮะเพราะความอ e ิคลาสความโดยสุดใจนะครับเมื่อเราเจือเมื่อเราใส่ไปในสิ่งใดก็ตามมันจะทําให้งานชิ้นนั้นมันทรงคุณค่าวันที่ผมได้เปรียบในเบื้องต้นนะครับว่าถ้าหากว่ามันเป็นเหมือนเป็ น, เ ป, นเป็นร่างคับเป็นซาก เป็นมายัดอยู่นะครับเสร็จแล้วพอมีอิคลาสเข้าไปมันจะเป็นเป็นจิตปัญญาเนียครับมันสามารถที่จะเดินเหินได้มันมันจะมีชีวิตเกิดขึ้นเลยอามันอิบาร์ดะของเราที่ทํามันก็จะเป็นอามันอิบาร์ดะที่มีชีวิตเลยนะครับนั่นคือความอิคลาสใช่เลยครับว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับว่าตัวผมพี่น้องทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ที่อยู่ตามศซนได้ได้ฟังในเรื่องนี้แล้ว ต้องบอกว่าปอยไปไม่ได้แล้วนะครับต้องกลับมาใส่ใจในเรื่องนี้แล้วครับเรื่องเรานั้นต้องมีความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจเพื่อเราสุบภาพในวาตะนาเป็นะครับประการต่อมาครับภาคอิคลาสท่านฟุเรนบินยัยยัอธิบายนะครับเราบางคนเนี่ยบางครั้งมีไหมครับความรู้สึกว่าเรามาเรียนหนังสือเนี่ยกลัวคนอื่นว่าจะว่าอูว่าเราอเล่นเราเิ่งนะครับเราทั้งไม่มา บางครั้งจะทําบุญเนีะฮะกลัวคนข้างๆเนี่ยกลัวว่าเราบอกกลัวว่าเราเราเข่งจนกระทั้งว่าเราเราไม่กล้าที่จะทําบุญไม่กล้าทําความดีนะครับถามว่าไอ้แบบเนี้มันมันมั น, ม, นมันได้ไหมก็เรากลัวกลัวกลัวว่าจะเกิดริยะกลัวว่าจะเกิดการอ้ออวดจึงไม่ทําความดีนั้นๆท่านฟูเรมีนยายัดกล่าวต่อกล่าวไว้แบบนี้นะครับว่าตารกุลอาหมาริเลอาจิลิลนสัสเรียอนการที่เราไม่ทําความดีอันเนื่องมาจากเราแคร แครในคําของมนุษย์เพื่อมนุษย์แครมนุษย์ริยาอน้นมันเป็นริยะเป็นการโอร้อวดนั่นคือมันเป็นการมันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับเอคลักเนี่ยความไม่สนใจสิ่งตรงข้ามคามําเอคลัสคือคําว่าริยะริยะคือการโอร้อวดทำเพื่อสิ่งอืนะ่นนอกจากลัทธิสุภานวุวาตานั้นการที่เราไม่ทําความดีอันเนื่องมาจากเราแครแคร์คำพูดของมนุษย์ถือว่าเป็นริยะครับว่าลอามะลุ ลีอาเจลินเนสชุดกุลเราทําความดีสิ่งใดก็ตามแต่ทําเพื่อมนุษย์ไม่ได้ทําเพื่อเอาล่องชุดกุลเป็นชริกเป็นการตั้งบักีกับพระองค์สุภารูปตละวัรคอกคลาสส่วนความอกคลาสเกิอะไรฮะความเอกคลาสคือมัวอาฟาตุมินูมาเอากมามคอนอกคลาสคือการที่เรานั้นรอดพ้นจากสองเรื่องนี้แหละรอดพ้นจากการทําเพื่อมนุษย์รอดพ้นจากการที่เราละทิ้งไม่ทําเพื่อมนุษย์หรือเราทําเพื่อมนุษย์การที่เราละทิ้งสองประการนี้นั่นคือความเอกคลาส คือความมุสุกใจที่เพื่อเอาล่องสู้บหาฮาอุตลาเพียงพระองค์เดียวเห็นไหมครับนั้นความวิคลาจึงถือว่าเป็นวรรคที่มีความสําคัญนะที่หลายคนเนะี่ยอาจจะหลงลืนกันไปหลายคนนะอาจจะไม่ใส่ใจนั้นต้องกลับมาในเรื่องนี้ครับว่าทําแล้วเพื่อให้สิ่งที่เราทํามันได้รับภาพผลอย่างเต็มที่นะฮะนั่นอิสลามบอกกับเราไว้นะครับว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยศา ส, สนาไม่ได้คำนวณ น, นะว่าใครจะใครจะทําน้อยทํามาก แต่อิสลามให้ความสําคัญกับอะไรคับกับคุณค่ามากกว่าอิสลามให้ความสําคัญกับคุณค่ามากกว่าปริมาณแต่บางครั้งเนี่ยเราคิดกันนะครับว่าทาให้มากแต่คุณค่าจะน้อยหรือไม่ไมันทีเราไม่ได้ใส่ใจใช่ไหมครับเอาใหม่ตั้งสติใหม่ครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดอามานอิบะดาที่ดีที่สุดคืออะไรครสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งคุณค่าจะเกิดขึ้นได้อย่างหนึ่งในนั่นคืออะไรคร ใส่ความอิคลาสไปนะครับใส่ความอิคลาสความเป็นสุดใจเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานิวะตาลาห่างไกลจากการเชริกการตั้งปากีเพื่ออัลลอฮฺสการตั้งปากีกับอัลลอฮฺสุบฮานิวะตาลานะครับนั้นคาพูดของท่านฟูเบ้นนะครับว่าลอามาลุหรออัจจินนาซีชีตกุลทําเพื่อประโยชน์จากมนุษย์ทําเพื่อหวังการตอบแทนจากมนุษย์ทําเพื่อหวังการชมเชยจากมนุษย์ชีดกุนเป็นเชริกเป็นชชริกเลยนะ ขั้นหนึ่งท่านอรรถสุร่วงสุร่วงพเดศรัลมนะครับกล่าวกับเหล่าบรรดาซาบาท่านกล่าวเตือนกับซาบาว่ามาอัคกวัฟุอัคกวัฟุมาอัคกฟุอะไรกุมชิร์โกลชิร์โกลข้อที่สิ่งที่เรากลัวว่าจะเกิดกับอุ้มมาของฉันมากที่สุดคือชิร์โกลข้อที่การตั้งพรทีแบบสั้นริน นั้นทศวรรษของเราเหรอสนามนั้นไม่ได้กลัวคือกลัวนะฮะคือกลัวกลัวทุกความผิดกลัวทุกความชั่วกลัวทุกการตั้งปกคีกับบาลอแต่สิ่งที่ท่านกลัวมากที่สุดมากที่สุดนะครับกลัวอะไรฮะกลัวว่าจะเกิดชีทกุลคอฟี่ชิทกุคอฟี่บรรดาสวัสดิ์ถามว่าคืออะไรฮะท่านระบียวก่าว่าชีทกุลคอฟี่นั่นคือริยาอุ่นการริยาการโอ้อวดสิ่งที่เราทําทําสิ่งที่เราทำบุญสิ่งที่เราทำศรัทธาก็ เราเรียนหนังสือเพื่อโอ้อวดหวังการชมจากมนุษย์ไม่ได้หวังการตอบแทนจากเาลาสุภาพนาในวัตถานนั้นนบีบอกว่าเป็นสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดลองวิเคราะห์มาดูกันทำไ ม, ไมนี่บีจึงกลัวเลยครัพ อ, อะไรฮะเพราะอะไรเพราะยุงร้ายกับเสือเพราะยุงร้ากับเสือยังไงนะฮะยุงเนี่ยเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนะฮะเหมือนแม่เทียบกับเสือแล้วเนี่ยฮะมันเทียบกันไม่ได้นะฮะ แต่คําบราณที่บอกว่ายุงไร้ายกว่าเสือเห็นภาพชัดเลยคําตอบในเรื่องนี้เสือมันอยู่ในขังอยู่ในกรงนะครับอยู่ในป่าโอกาสที่จะมาหา ก, กับเรานั้นไม่ได้หรอกเพียงแค่เราอยู่บ้านถ้าอยู่ในป่าทําบ้านทรงสูงนะครับเสือขึ้นไม่ได้จับเสือใส่กรงแล้เสือยุย่งกับเราไม่ได้แต่ยุงดูเหมือนว่าไม่มีอันตรายนะตัวเล็กทีแต่ยุงนะฮะอยู่ที่บ้านไหนอยู่ที่ไหนก็ตามยุงจะไปรังควานได้เลย นันยุงร้ายกว่าเสือเพราะว่ายุางนั้นมันซ่อนเร้น <S <S ญญเช่นเดียกันครับสิ่งที่ถ้าเราโซลล์โซลล์ว่าเราซาลัมกลัวมากที่สุดคือเรื่องนี้เรื่องนี้เพราะมันเกิดขึ้นมันไม่รู้นะฮะว่าวันนี้ผมคิดอย่างไรในสิ่งที่ทำใช่ไหมฮะผมก็ไม่รู้ทุกท่านมาคิดอย่างไรมันอยู่ภายในมันไม่รู้นั่นเมื่อไม่รู้จึงเป็นอันตรายครับเพราะเราไม่รู้ตัวมันอยู่ที่ไหนไม่รู้จะเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นเมื่อใดนะะีส่วนใหญ่เราไม่เคยรู้กันเมื่อที่รู้สึกตัวว่ามันเกิดขึ้นนั้นถ้าเราโซลล์โซ กลัวว่าจะเกิดกับผมมาเกิดกับตัวผมเกิดกับท่านพี่น้องทุกท่านเลยนะครับเรื่องนี้นะครับนั้นความอิคลาสอินนัมอัมาหรบินนียะอามันทุกสิ่งทุกอย่างความดีนั้นผูกอยู่กับการตั้งเจตนานะครับนยะคืออะไรฮะสิ่งที่เราทำอามาันอิบาระที่เราทําความดีนี่แหละฮะที่เราทําจะได้ผลบุะน้อยจะได้ผลบุญมาก หรือจะไม่ได้รับผลบุญเลยก็อยู่ที่การตั้งเจตนาเราว่าเราทําเพื่อใครถ้าเราทําเหมือนกับท่านในบูบักอ๋อนั้นแน่นอนเลยนะครับเรื่องเล็กๆ เ, เนี่ยฮะมันก็จะกลายเป็นเรื่องเรื่องใหญ่ได้เลยนะครับนั่นในเรื่องนี้จึงมีความสําคัญนะครับว่าสิ่งความพิคลาสความบริสุทธิ์ใจเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนั้นในเรื่องของอามาร์อิบาดาห์นะครับความพิคลาสจะเป็นตัวที่อัปเกรดยกระดับอามานอิบาดาห์ที่เราทําแต่สิ่งเล็กๆน้อย เป็นสิ่งที่สร้างความยิ่งใหญ่ได้เลยปุรมะบางท่านกล่าวกล่าไว้คํานี้นะครับอยากจะฝากไว้นะครับรูป บ, บ้าอามาเรนสโกริโอระเตนตุกับดูโรอันนียะตูหลายครั้งเลยนะสิ่งที่เราทําเนี่ยความดีที่เราทำรูเหมือนเล็กน้อยแต่เนียดดีเนะี่ยทําให้อามานน้นมันยิ่งใหญ่ได้เป็นภาคผลที่มีความยิ่งใหญ่รูป บ, บ้า อารมาเลนกับบิโอโรเตนตุสอกโรู์อันนี้อยูและอีกหลายครั้งเช่นเดียวกันเลยสิ่งที่เราทําดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่แต่เนียดไม่ดีเนียดไม่ถูกต้องทําให้เรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กโันนี้อยากจะฝากไว้เลยนะครับอยากจะฝากไว้เลยสําหรับตัวผมแล้วก็ท่านพี่น้องทุกท่านเลยนะครับคำคำนี้นะครับรุปบ้าอามาเลนสอเกโรเตนตุกับโดรูอันนี้อยูบางครั้งสิ่งที่เราทําเล็กน้อยเราบริจาคนะครับอิมาัลลัมเพียงเม็ดเดียว นะครับเราบริจาคเงินเพียงแค่สิบาทเพียงแค่ร้อยบาทแต่ทำเพื่ออว่ะในตอนนั้นเรามีเงินน้อยแต่เราทำทำสิบทำรอยบาทเงินในกระเป๋ามีสองร้อยแบ่งไปทำเลหนึ่งร้อยบาทอีกคนคนหนึ่งนะครับมีเงินอยู่สิบล้านครับทำบุญห้าล้านคุณค่าไม่เท่ากันนะโดยเฉพาะตัวแปรคือ ในเรื่องความง่ายความยากและความเอคลากความเบื่สุดใจครับถ้าเรามีความเอคลากมีความเบื่สุดใจเอาได้ภาพผลมากยิ่งขึ้นได้ภาพผลอย่างเป็นที่เลยในกิฟซ่าในเรื่องเล่าในฮะดิรรษสังเกตุรอสูลลลอสอัลลอฮฺอッเสลลัมเล่าถึงใครครับจําได้ไหมเล่าถึงถึงใครจําได้ไหมครับเล่าถึงหญิงที่ทําสีนาคนหนึ่งอาชีพโสพินี บางเรยกวาเล่าว่าคนเป็นผู้ชายนะครับแต่เป็นคนที่ทํำคำเลวมาตลอดชีวิตเขาเดินทางไกลเสร็จแล้วเนี่ยเดินทางผ่านทะเลผ่านทะเลทรายเสล้วหิวน้ําครับลงไปในบ่อน้ำดื่มน้ําดับกระหายขึ้นจากปากบ่อนะคมา เ, มเห็นสุนัขสุนัขนะครับไม่ใช่คนนะครับสุนัขนะครับเลียดินเปียกๆรอบๆ บ, บ่อนะครับอันนี้มาความหิวนั่นคนคนเนี้ยสงสารสุนัขตัวนี้ ท่าบอกว่าเราเนี่ยสุนัขตัวนี้มันหิวเมือนกับที่เราหิวน้ําไม่ได้แล้วถ้าปล่อยไว้มันตายก็ลงไปในบ่ออีกข้างหนึ่งครับเสร็จแล้วก็เอาถอดรองเท้าปักน้ํามาเสร็จแล้วเนี่ยฮะมือนี้ต้องปรับบินปากบ่อขึ้นมาก็เอาปากนะครับครับปากนั้นข้าบรองเท้าที่ใส่น้ำเอามาให้ใครดื่มให้คนหรือให้สุนัขให้สุนัขนะครับไม่ได้ให้คนเพียงแค่ทําบุญกับสุนัขนะครับให้สุนัขตัวนี้ดื่มครับทำให้สุนัขตัวนี้นั้นอิ่มแล้วก็รอดจากการตายได้ ในหะดิษกล่าวว่าแฉกาะรหลอัลลอฮฺขอบคุณนางวางบางริวยะเก่านะครับว่าอัลลอฮ์นำนางเข้าสวรรค์นิดเดียวใช่ไหมครัชีวิตเธอที่ผ่านมาเป็นหญิงโสเภณีไม่ต้องพูดนะครับว่าละหมาดหรือไม่ทําดีอื่นหรือไม่นะชีวิตโสเภณีนะครับก็คืออยู่ในสิ่งที่มันเป็นมะอสยะแต่ความดีที่เธอทําในตอนนั้นเนะฮะไม่เป็ค่เห็นนอกจากสซนักตัวเดียวนะฮะมนุษย์ไม่เห็น ทำนั้นเธอทํานั้นทําเพื่อด้วยความพปคลาสความเปสุดใจอย่างจริงๆเลยนะฮะทําเพื่อช่วยชีวิตสุนัขตัวเดียวช่วยชีวิตสุนัขนะฮะทาให้ได้เข้าสวรรค์โอ้โหมันมันเป็นเรื่องเป็นไงฮะเป็นเรื่องเล็กน้อยใช่ไหมครับแต่มันยิ่งใหญ่นะอลโลกุปหานูอะลรครับเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้แบบนี้นะฮะทาเรื่องเล็กๆแบบนี้แต่บางทีเราเราเหนียดเล็กไปด้วยเอามาให้พี่น้องครับเราอาจจะทําเรื่องเล็กเแบบนี้แต่เราเหนียดให้ใหญ่สิครับเหนียดว่า ลิมมรดบจริงละทำเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากองค์สุภานุวะตนะที่ไหนก็ทําบุญนะฮะเขาต้องการซองนะครับครับเราแม้มีน้อยก็ทําน้อยมีมากก็ทํามากนะครับแต่สิ่งที่ทําเนียดนีครับในมรดบจริงละทำเพื่อแสวงหาความโปรดปานจากองค์ไม่ได้ทําเพื่อว่ามสศิษยนั้นจะมาขอบคุณเรามสศิษยนี้จะมายกย่องเราเอานี้เบื่อจะไปยุ่งกับมันนะครับมันไม่มีคุค่าอะไรหรอกครับแต่แก่นคืออะไรฮะแก่นคือหลิมมรดบจริงละ ทำเพื่อแสวงหาความปวดปดางจะเอาล่ะและเราจะพบว่าหูคุ้มค่ามันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการนะว่านิดเดียวใช่ไหมฮะแล้วอาล่ะ Allah ยังตอบแทนแล้ะบางครั้งเนี่ยมันเรื่องใหญ่กว่านี้เรื่องใหญ่กว่าช่วยสุนัขที่เราทำใช่ไหมฮะมากมาเลียนชิดเราใช่ไหมฮะมันเพียงแค่ใส่ฮะใส่เนียดไปให้เข้มเข้มพอใส่เนี่ยไปเข้มเ้มแล้วเป็นไงฮะโอ้โหมันจะทําให้อามาติปะยะอันนั้นมันเป็นมันบูมขึ้นมาเลยฮะมันจะเป็นระเบิดขึ้นมาเลย เป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มากเลยที่อัลลอฮ์สุบฮานุวุตลาจะให้กับเราเราไม่รู้นะครับว่าไอ้สิ่งที่เราทําในวันนี้ความดีที่เราทํานะฮะว่ามันอยู่ในระดับใดจะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ไม่ละหมาดที่เราทําบวชที่เราบวชที่เราทําความดีที่เราทำสตะก็ที่เราทํำนั้นต่อไปนี้พยายามปรับปรุงนะครับว่าสิ่งที่เราทำนะฮะขอให้แขวนไว้ผูกกับอัลลอฮ์สุบฮานุวุตลาสิครับเราจะพบเป็นความยิ่งใหญ่ว่ามันมีคุณค่ามหาศาลเป็นคุณค่าที่อัลลอฮ์จะให้กับเราทั้งดนแล้วก็ิเระ แต่เป็นสิ่งที่น่าเศ้าใจครับว่าคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ก็จะคิดเหมือนกับคิดเหมือนกับย่าของอบูบักใช่ไหมครับคิดแบบนั้นคิดแบบไหนครับที่อบูกุฮาฟาทีา่ท่านย่าของท่านท่านอบูบัก บ, บอกว่าลูกทําไมลูกไม่ไปเลือกคนที่มีความแข็งแรงคนที่มีกําลังมีความสามารถแหะเพื่อให้คนเหล่านี้มาตอบแทนส่วนใหญ่เราคิดแบบนี้คิดสั้นๆใช่ไหมครัคิดสั้นๆหวังผลประโยชน์ จากมนุษย์ใช่ไหมฮะผมว่ามันใช่เลยนะฮะตัวผมเองในบางครั้งแล้วสังเกตนะฮะแอบสังเกตคนในสังคมตั้งแต่หลายระดับเลยนะครับตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนกระทั่งวระดับ ยอดไม้ก็ว่าได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอกันแบบนี้นะครับว่าลึกๆแล้วนะครพอถามไปถามไปแล้วนั้นนี่มันจะเพื่อเลาะหรือแต่สิ่งที่ภาพที่ออกมาเนะะี่ยมันมันไม่น่าจะใช่น ะ, ะแต่ปากนะฮะปากแข็งฮ ะ, ะปากแข็งก็จะพูดเรื่องอ e ีคลาสนะฮะบางครั้งผมก็เช่นเดียวกันนะฮะปากแข็งอธิบายเรื่องอ e ีคลัสแต่บางครั้งนะฮะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเนะะี่ยทําให้ ธรรมนิบาติเะธรรมันเป็นรอยด่างพลอยมันมีตาหนิมันไม่ได้รับการตอบแทนจากลัทธิสุภภาพในวัฏฏะนั้นคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ที่ผมพูดว่ามีการกระทําเหมือนอบูบักเหมือนพ่อเหมือนอายุข่าวอาบูบักเพื่อแนะนําบอกกันแล้วทาทําไมไม่ทํางงอย่างนั้นอย่างนี้ทําคนจะได้มาตอบแทนเราคนนี้จะได้ทําดีกับคนนั้นคนนี้เพื่อคนนั้นจะมาตอบแทนเราคนนี้จะตอบแทนเรานะฮะมันเป็นคําถามเป็นคําพูด เป็นคำพูดที่พูดกันมากแต่ว่ามันน่าเกลียดมากคํานี้นะสำหรับอิสลามนะฮะอิสลามบอกว่าคําพูดอันนี้มันมันน่าเกลียดมากเลยทำเพื่ออะไรอ่ะทําเพื่อทำเพื่อทําไมอาจารย์มาทําไมทำเทนี้ทําไมทําได้เท่าไหร่ทําได้ทําได้ทําได้เท่าไหร่ทําได้กี่บาททําได้มากไหมส่วนใหญ่คำถามที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะ จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะมีใครพูดไหมฮะว่าทำทาแล้วได้ผลบุญเท่าไหร่ เหมือนกับที่บรรดาซาบะจะมาถามในบีวา่าแย่เราสูรลรว่าท่านจะถามนั้นมาถามไม่ได้ถามเรื่องบุญญาไม่ได้ถามว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่เลยนะฮะแต่บรรดาซาบะจะมาถามยา่เราสูตลว่าดุลเลนีอะไรอัมมาินบอกฉันซีทําอะไรที่อัลลอฮ์รักฉันทำอะไรมนุษย์รักฉันทําอย่างไรได้เข้าสวรรค์ทําอย่างไรที่ฉันจะได้เข้าสวรรค์และรอดจากนารกเป็นคําถามที่บรรดาซาบะจะมาถามตลอดแต่ต่างกันที่วันนี้ที่เราถามทุกอย่างเลยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ออกมาเป็นวาจาแต่คําถามอยู่ในใจใช่ไหมครับ ว่าทำแล้วได้อะไรวันนี้ถ้าเราตกผึกเข้าถึงแก่นของความอิคลาสเนี่ยโอ้มันเรื่องนี้มันคําถามวนี้มันจิ๊บจ้อยมันไม่ใช่เป็นเรื่องเลยเข้าใจไหมเราจะนี้ใส่ใจเลยเพราะอะไรฮะเพราะสิ่งที่เราจะให้กับเราอ้ผมสิ่งที่คุณค่ามหาศาลสิ่งที่ไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบได้เนี่ยมันยกระดับได้เลยในสิ่งที่เราทําเพียงแค่เราใส่ความอิคลาสความเป็สุดใจอย่างชัดๆอย่างเข้มๆมันก็จะออกมาแล้วแล้วก็เราก็จะสบายใจสบายใจยังไงฮะเพราะ ถ้าวันนี้เราทําเพื่อมนุษย์คนมาอาศัยอยู่กับเราคนนั้นเสร็จแล้วในเราคุณเร า, าเราจะน้อนไม่หลับแล้วโอ้ทาไมดีกับเขาตลอดดีกับคนคนนั้นตลอดแล้วไม่รู้จักบนคนเราเราช่วยเหลือตลอดแต่มันก็จะเกิดความรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมครับลองคิดใหม่สิครับคิดใหม่ว่าสิ่งที่เราทำํำเราไม่ได้หวังกับเขาเนี่ยไม่ได้เขาว่าจะมาตอบแทนเราแต่เราหวังจากใครอัลลอฮฺอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าเราเป็นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ครรองของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่อัลลอฮฺ คางของริสกีอยู่ที่อัลลอฮ์คางของความปวดปานอยู่ที่อัลลอฮ์และสวรรค์อยู่ที่อัลลอฮ์มนุษย์มนุษย์แม้จะเป็นคนที่มั่งคัง่งแต่ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์ก็จะเห็นแก่ตัวมนุษย์ก็จะให้เรานั้นน้อยให้เราไม่คุ้มกับเราครับสิ่งที่ระหวังจากเขานั้นมันไม่คุ้มค่าเราครับที่เขาจะให้เราแต่ถ้าระหวังจากอัลลอฮ์สิครับเราจะได้ถึงความยิ่งใหญ่เราจะได้ถึงสิ่งที่มันมีพลังมันมีความขึ้นค้นมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ มันโดยเฉพาะมันเป็นเรื่องที่เรื่องของสวรรค์ น, นะครับนั่นคือกัปดักนะครับกับดักแล้วก็เป็นเก้าที่หลายเป็นหลมนะครับเป็นหลมที่ที่มุสลิมเราหลายคนไม่ผ่า น, นครับไม่ผ่านคือเระหวังเพียงแค่สั้น ๆ, ๆหวังเพียงแค่สั้นเดี๋ยวยังอ่านข่าวไว้ด้วยนะครับมันแก้ในยูริดูล์อ่านที่แหละอจนานโลฟีฮามานชะชาลิมันยูริดใครก็ตามที่หวังการตอบแทนระยะสั้นๆหลังการตอบแทนแบบเร็วเร็วคือหวังการตอบแทนในโลกดุนยานี้ที่เป็นเงินเป็นทองเป็นชื่อเสียงเป็นเกียรติยศ อ จ, จันนาโลฟิฮามาในชาลีมันยูริตเราเอาลัลลอฮฺสุบะฮฺอุตตะลาก็อาจจะให้ให้เท่าที่อลัลละฮ์ต้องการอาจจะให้ได้มีเกียรติให้ได้มีตําแหน่งให้ได้มีทรัพย์สินเงินทองแต่ผลบุญได้ไหมไม่ได้ความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้นะครับนั้นอัลลอฮฺสุบะฮฺอุตตาก็จะบอกก็จะตัดต่อไปว่าและพระองค์ก็จะทรงให้เขานั้นได้ได้นรกในโลกอาคิร์รัตสิ่งที่เขาทามานั้นมันศูญเปล่ามันไม่ได้อะไรเลยมันไม่มีคุณค่าอะไรเลย แต่สิ่งที่เขาทำนั้นมันกับสร้างความวิบัติให้กับเขามันจึงเป็นสิ่งที่เราต้องห่างไกลใช่ไหมครับงั้นตั้งสติใหม่ครับในสิ่งที่เราจะทําก้าเดินของเราแต่ละเก้าในเรื่องของในเรื่องของส่วนตัวเราที่เราสว่างแสวงหาความปลอดปางจากอัลลอฮ์ในเรื่องขององค์กรที่เรามีความใกล้ชิด ท, ที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเขาในเรื่องของมนุษย์นะครับให้เราหวังจากอัลลอฮ์สิครับหวังจากอัลลอฮ์หวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ เรามรดตินละแสวงหาความปวดปานจากโลกสุภานุอัตลาเราก็จะสบายใจแล้วมันจะโล่งมันจะโล่งหรือมันจะสบายใจนะฮะซึ่งต่างกันถ้าหากว่าเราปลูกกับมนุษย์นซึ่งมนุษย์โดยธรรมชาตินะครับมนุษย์ก็จะจะคิดถึงตัวเขาเองเป็นหลักเขาต้องคิดถึงตัวเขาเองก่อนเ้าอาจจะให้เราตอบแทนเราในบางสิ่งบางอย่างนะครับถต่มันน้อยมากครับเมื่อ เทียบกับการต่อเบียนจากเอาล็อกสุภาห์ในตลาดังนั้นต้องเข้มเขมนะครับเป็นกําลังใจกันครับต้องนซีฮะตกันบรรดาซอฮาบะบรรดาคนสลักในยุคแรกๆนะครับเข้าใจกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่านะซีฮัตฉันหน่อยดีสิ่งแรกที่ส่วนใหญ่ที่บรรดาซอฮาบะจะละซีฮัตกันหรือบาคนในยุคนั้นสลักจะนะซีฮัตกันคือเรื่องอะไรเรื่องนี้ฮะเรื่องของความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจ นะต้องให้มั่นนะครับเพราะมันเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่อัลลอฮฺสุบฮฺฮาดุลลาจะรับอามันอิบะดาของเราในวันนี้คนบริจาคแสนล้านแต่ไม่มีความเอกลัก์ความเบิกบุดใจสู้คนบริจาคสิ บ, บาทไม่ได้นั่นคืออิสลามที่สอนไว้ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องนี้ถ้าเราเราเรายึดแน่นๆครับมันจะทําให้เรานั้นผ่านครับรอดผ่านจากขวักน้ํารอดผ่านจากจากอะไรฮะ เราผ่านจากลมที่หลายๆคนติดอยู่ในปัจจุบันนี้บางครั้งเหมือนว่าเรามองไม่เห็นแต่ถ้าหากว่าเราทํางานแล้วมีปัญหาแล้วเราไม่สามารถที่จะม า, อารอมชอมกันได้มันก็ต้องมาเช็คดูครับว่าไอ้สิ่งที่เราทำนั้นมันทำเพื่ออัลจริงหรือเปล่าถ้าเพื่ออัลลอฮ์ผมมั่นใจครับว่าถ้าเพื่ออัลลอฮ์เป็นเป็นใหญ่แล้วต้องหมายสาคัญครับว่าสิ่งที่เราทำนั้นเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานีวาตละนั่นคือประโยคแรกนะครับว่า อินเนมัลอามาลูบินนียะครับจริงๆครับว่าอะมาสอิบะดาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นความดีนั้นอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะลาผูกไว้กับการตั้งเจตนาเราถ้าเราเจตนาดีเราก็จะได้รับความดีเจตนาไม่ดีเราก็จะไม่ได้รับคุณค่าในสิ่งนั้นสารประโยคต่อมาครับอินเนมายหกุลลิงหรืออินมานาวาแต่ละคนจะได้รับตามที่ตนเองตั้งเจตนาเอาไว้ข้างหนึนะครับแต่ละคนจะได้รับตามสิ่งที่ตนเองตั้งเจตนาไว้ อธิบายในเชิงของในเรือ่องของมาริบาดนะในเรือ่องของความดีแน่นอนครับทิ้งที่เราเจตนาเอาไว้ว่าทําเพื่อใครทําเพื่อสิ่งสิ่งใดเราก็จะได้รับจํานวนนั้นๆแต่ถ้าอธิบายในเชิงของของหลักในการใช้ชีวิตชวนหนึ่งอธิบายได้แบบนี้ครับในวันหนึ่งครับพี่น้องสามคนครับคือท่านอับดุลลอฮฺอิบลลอราฮิมสูเบตท่านมุสอับดุลสูเบนะครับท่าน ท่านใครฮะชาบ้าอีกท่านหนึ่งครับท่านอุสะบูเบสสามคนเป็นสามพี่น้องแล้วก็อีกคนหนึ่งครับมรบาลบินหักรัมเป็นเพื่อนสนิทกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นพี่น้องคารตามกันมาวันหนึ่งครับก็พูดครับว่าโตไปแล้วอยากจะได้เป็นอะไร โตไปแล้วอยากจะได้อะไรอยากจะเป็นอะไรเหมือนเด็กๆ เ, เรานะที่บางครั้งเล่นขายของใช่ไหมครับอยากจะเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นตำรวจนะครับก็จะจะคุยกันใช่ไหมฮเหมือนกันเลยในวันนั้นนะฮะวัยรุ่นสี่คนฮะก็จะคุยกันว่าโตขึ้นแล้วอยากจะเป็นอะไรคนแรกเลยฮะอับดุลวะอินุสุเบศ์บอกว่าผมโตขึ้นไปแล้วผมอยากจะเป็นอมิดอยาเป็นคอรีฟ้าของควันฮียส เฮียร์คือนครมากาและนครมดีนะอยากจะเป็นคอริฟ้าเป็นกษัตริย์เลยนะฮะนั้นนั้นตั้งใจไว้ใหญ่มากเลยคนที่สองครับมุสอับบินสุเบศน้องน้องบอกว่าโตขึ้นไปนั้นผมอยากเป็นอามีดเป็นผู้ปกครองของแวร่อิรักประเทศอิรักคนที่สามครับมารวานบินหาจัมอันนี้ใหญ่กว่าฮะ บอกโตขึ้นผมอยากเป็นอมิตรเป็นคอริฟ้าของอาหรับทั้งหมดเลย้ครอบครมทั้งหมดเลยเสร็จแล้วสามคนก็มองไปดูที่น้องคนเล็กหรือเพื่อนคนเล็กคือท่านอุรุวะบิซุเบครับถามว่าอุรุวะโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรอยากจะได้รับอะไรอุรุวะพูดชัดๆนะครับว่าอ๋นะอูริดูไอยุตขเรนีอัลลอฮุอันยันนะฉันต้องการสวรรค์จากอัลลอฮ์ ถ้าเป็นง่ายๆปฏจบันนี้วงแปกใช่ไหมสามคนนั้นก็จะคิดอีกอย่างนึงใช่ไหมครับคิดในเรื่องของทางโลกอยากจะเป็นผู้นําแต่เนียดผู้นําไปเพื่อที่จะทําความดีอะไรก็แล้วแต่แต่เนียดในทางโลกแต่อุตวานี่ได้ได้บอกนะครับว่าถ้าเนเนียตั้งเนียดแบบนี้หลักในการใช้ชีวิตแล้วก็ตั้งเจตนาธงที่ปักเอาไว้ในการมีชีวิตของเรานั้นต้องแบบนี้เลยอนะนะอุรีดูอันจันนะฉันต้องการสวรรค์ สแสดงเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ก็ต่างคนต่างไปกันนะครับจนกระทั่งว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นท่านซูเบิร์ตบินอาวามครับได้รับการสถาปนาเป็นอะไรเป็นคอนิฟ้าคลองอาณาจักรคลองมักกะคือของควานิยัสนะครับเมื่อคองควานิยัสของมักกะแล้วก็แต่งตั้งน้องชายคือมุสับบินซูบิร์ตให้ไปปกครองประเทศอิรักได้ตั้งเจตนาไว้แม้เรื่องอะไรก็ตามนะฮะได้ในดุนยานี้ก็จะได้แล้ว นะฮ ะ, ะแล้วมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในรัประวัติศาสตร์ผมไม่จะไม่ลงลึกในรายละเอียดแต่เป็นเหตุการณ์ที่พิกฟันทําให้มรว่าบิลฮากามนั้นได้รับตําแหน่งเป็นคอลิฟ้าและเป็นคอริฟ้าในราชวงศ์อามอวิยะคือคือครองอาณาจักรอิสลามนี้ทั้งหมดเลยในวันนั้นที่ตั้งใจไว้ในวัยเด็กนะฮะในวัยที่เป็นวัยรุ่นต่างคนต่างได้ทั้งหมดเลยก็เหลือจุบเบศเหลือครฮะอุรุวะหรือจุเบศใช่ไหมะนั้นเหลือคนนี้ นับวันเวลากรมนะครับต้อนึกถึงในวันที่ในวันที่ตนเองได้รับสถาปนาเป็นคอลิฟ้านะฮะนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นฮะสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาในเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่ต่างคนต่างพูดโตขึ้นอยากเป็นอะไรในวันนี้ตนเองได้แล้วได้เป็นคอริฟ้าแล้วและยูเบสบินและอับดุลลอฮ์บินซูเบสอุสอับบินซูเบสก็ได้รับแล้วแล้วก็หมดไปแล้วหมดไปแล้วนะครับได้รับแล้วแล้วก็หมดไปแล้วตําแหน่งหมดไปแล้วแล้วตอนนี้ตนเองได้รับและอีกไม่นานก็คงได้หมดไปทาให้นึกถึงเพื่อน คืออุรวุวะเบนสุเบศ์นะครับนึกถึงว่าอุรวะเบนสุเบศ์ในวันนั้นที่เขาอยากจะได้เป็นได้ได้สวรรค์แน่นอนต้องได้เพราะวันนี้ตนเองที่ตั้งไว้และได้แล้วอุรุวะต้องได้สวรรค์อย่างแน่นอนครับและเราก็มั่นใจครับว่าว่าอินชาอัลลอฮ์อุรวุวะเบนสุเบศ์ได้สวรรค์อย่างแน่นอนนะครับเพราะตลอดชีวิตของท่านเป็นอุลามะเป็นตาเบียรอีนนะครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงชาวนครมดีนะที่ในชีวิตของท่านครับชีวิตของท่านนั้นเป็นชีวิตที่ เป็นชีวิตที่ควรแค่แก่การศึกษาเป็นชีวิตที่ทุ่มเทในเรื่องของาศาสนาปุรัตนุสุเบศนะครับเป็นเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจนะครับนั้นท่านค้าขายมาได้นั้นท่านก็จะจ่ายนะครับ<อ>เงินทองที่มาได้นั้นเพราะเจตนาของท่านเพื่อสวรรค์ไอสิ่งที่จะทําเป็นธุรกิจที่ทําก็เพื่อตอบโจทย์ว่าเพื่อจะเดินไปสวรรค์ได้อย่างไรนั้นเจตนาของท่านคือเงินทองได้มาก็ใช้จ่ายจนทั้งมะรูบรู้กันทั่วไปเลยนะครับว่า มหาเศรษฐีที่เจบุญมากที่สุดในดนครบริณฑ์ในยุคนั้นคืออุรุราตุสุเบศ์ในขณะเดียวกันครับพอได้เวลาละหมาดอุรุราตุสุเบศจะเป็นคนที่มาก่อนมมอัดดินมาก่อนบิล้านคือก่อนจะฆ่าเวลาละหมาดนะครับอุรุราตุสุเบศไปถึงมัสสิตแล้วไปถามว่าแล้วในห้างพอทานาธุรกิจปัจจุบันนี้เราได้เหมือนได้เค่องหนึ่งของท่านไหมครับไม่ได้เลยใช่ไหมครับ แต่ถ้านั่นฉายภาพพระเห็นความเ็ต้องแบบนี้คนที่เป้าหมายของเขานั้นคือสวรรค์การเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับมันต่างกันครับระหว่างฝันที่เป็นจริงกับฝันกลางวันฝันเป็นจริงคือฝันที่เป็นจริงฝันกลางวันคือฝันที่มันได้มันเลื่อนลอยใช่ไหมฮะอุรวัติบุเบศพิสุทธ์ครับว่าสิ่งที่ท่านฝันอยากจะได้สวรรค์นั้นต้องทาฮะ ไม่ใช่ฝันแล้วก็ปล่อยไปเลาเราจะตักเดชยังไงก็ลอยไปแบบนั้นไม่ใช่ฮะแต่ท่านฝันแล้วท่า น, ท, านท่านท่านทําให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของท่านจึงเดินในเรื่องนี้ตลอดนึกถึงสวรรค์ตลอดและสิ่งที่ ท, ท่านทาทําเพื่อตอบโจทย์อาเกียรติ์ไม่ได้ตอบโจทย์ในดุนยานี้ไม่ได้ใส่ใจครับทําแล้วจะรวยเท่าไร่ทําแล้วจะมีเงินมากเท่าไรใครจะชมมากเท่าไร่อันนี้ไม่ใช่เป็นอยู่ในสมองท่านเลยสมองของท่านเกียรติเป้าหมายคือวันนั้นถึงวันนี้เหมือนกันเลยคืออาคกียรติ์นู่น ต้องการสวรรค์เจ้าล้อสุภาหนูอ่ะตาละ่ะนั่นในชีวิตของท่านครั้งหนึ่งนะครับท่านไม่สบายครับหมอบอกว่าต้องตัดขาต้องตัดขานะครับพันสูนยก์กว่ปที่ผ่านมาตัดนะครับไม่มียาสลบแล้วก็ไม่มีไม่มีวิธีการแพทย์เหมือนปัจจบุบันนี้สมัยโน้นคือตัดก็คือต้องใช้เล่ยตัดนะฮะแพทย์ไปแนะนาท่านว่าท่าน ต, ตัดขานะี่มันเจ็บมากเลยนะท่านทนไม่ได้หรอกนั้นท่านต้องต้องดื่มเหล้าให้เมาสลบไปแล้วถึงจะตัดขาได้ ปุษบานปุษเบสพอรัพอหมอแนะนําว่าจะต้องกินเหล้าโอ้โหท่านไงเลือดขึ้นหน้าเลยโมโหมากเลยครับเจ้ารู้ไหมท่านรู้ไหมชีวิตเราไม่เคยแตะของห้ารำนั้นเพียงแค่เรื่องนี้จะให้เรานั้นทานของห้ารำเลยนะครแอบนิคในใจครับท่านอุรุเวลาครับปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องเราหลายคนนะครับครับที่อย่างนะที่คิดต่างกับท่านในวันนี้เขาสบายดีแต่เขาก็ยังยังยังมัวเมาอยู่กับในเรื่องของยาเสพติด แต่ในวันนั้นมีหมอแนะนํา ย, ยาเสพติดให้ท่านนะครับท่านปฏิเสธและท่านโมโหนะครับมันต่างกันเลยใช่ไหมฮะหมอบอกว่าหมอท่านปฏิเสธครับว่าไม่แต่ว่าฉัานจะตัดขาฉันให้มาตัดตอนที่ฉันละมาเพอาะฉันละมาแล้วจิตของฉันนั้นดื่มดำอยู่กับอลโลกฉันจะไม่รู้สึกเจ็บนั่นคือคนที่ชัดในเรื่องของสวรรค์และการผ่าตัดก็ผ่านไปนะครับว่าท่านผ่าตัดในขณะที่ละมา เพาท่านไม่เจ็บท่นคืออุณวาฒนสุเบต ท, ที่เป้าหมายของเขานั้นอยู่ที่สวรรค์นั้นตอบรับผมกําลังอธิบายนะครับว่าอินนามายหรือกุลลิมริอิมมาณวาแต่ละคนนั้นจะได้รับสิ่งตนเองได้ตั้งเจตนาเอาไว้ไม่ว่าเรื่องที่เราตั้งเจตนามันเพื่อเรื่องอะไรครับซึ่งในประเด็นนี้ถ้าอธิบายตามตามศาสตร์สมัยใหม่สื่อตะวันตกหลายคนนะครับที่เขาขศึกษาในเรื่องนี้ว่ามันเป็นความมหศัศจรรย์นะ ที่บางครั้งธุรกิจสำนึกเนี่ยแรงดึงดูดเนี่ยมันจะดูดเอาความสำเร็จดูดเอาสิ่งต่างๆในสิ่งดีๆมาในชีวิตเราเพียงแค่ เ, เราตั้งความหวังตั้งปักธงไว้ให้มันชัดๆเสร็จแล้วเราขอแต่คนที่เขาไม่มีพระเจ้านะเาจะขอจัดจั ก, กรวาลขอกับอะไรก็ตามนะครับ เสร็จแล้วเชื่อเชื่อว่าตนเองได้รับและสิ่งนั้นส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดขึ้นอันนี้มันเป็นเคลที่ไม่รับที่เขาบอกต่อกันมาหนังสืออะไรเล่มที่พิสูจน์ในเรื่องนี้และมีการศึกษากันอย่างมากในปัจจุบันนี้แต่ในเรื่องนี้นะฮะจริงๆแล้วอิสลามสอนไว้พันเศกว่าปีครับอินนะมาลีกุนลิมรีอิมมาเนวาแต่ละคนจะได้รับตามที่ตนเองได้ตั้งเป้าหมายเจตนาเอาไว้ลองดูสิครับว่าท่านท่านตั้งเป้าหมายอะไรผมเคยลองแล้วครับ อาจารย์นรุนบ really ุญชมสอนฮะดิสเน่นะครับผมจําได้นะท่านบอกว่านั้นใครอยากจะได้อะไรเขียนเอาไว้ก็จะเป็นจริงผมอาจจะไม่ได้เขียนเอาไว้นะแต่ผมตั้งเป้าไว้ครับว่าผมอยากจะเป็นเหมือนอาจารย์นรุนนะฮะผมอยากจะเป็นเหมือนท่านนะฮะผมจะผมไม่ได้เขียนเอาไว้นะฮะผมอยากจะเป็นเหมือนอาจารย์นรุนนะฮเป็นเหมือนกับท่านตั้งแต่วันนั้นมานะฮร ก็ก็ตั้งใจแต่โดยที่ก็ลืมไปในในในในเจตนานั้นนะฮะก็กลืมไปลืมไปบ้างนะครับคิดบ้างลืมบ้างแต่ว่าเคยตั้งเป้าหมายไว้เห็นว่าเห็นว่าอยากจะเป็นเหมือนท่านนะฮะอยากจะเป็นครูอยากจะเป็นอาจารย์นะฮะนั้นธรรมดลิละที่ในวันนั้นถึงวันนี้มันก็ตอบโจทย์ได้ชัดเจนนะครับว่าอินนามาหรือคุณลิมริอิมานาวาแต่ละคนจะได้รับตามที่ตนเองได้ตั้งเจตนาเอาไว้ดั้นั้นไม่จะเป็นเรื่องบุญญาเรื่องอาเกีรติหรือผมพยายาม เรื่องดุงวาเนี่ยอาทีหลังนะฮะแต่อยากจะเน้นย้ำในเรื่องของอัเครอเพราะอังเครอนั้นมันดียิ่งกว่านะครับมันสวยงามยิ่งกว่านะครับและมันสบายยิ่งกว่าในโลกดุงยานี้นั้นถ้าหากว่าเราตั้งเป้าหมายเพียงแค่โลกดุงวานี้มันจะเป็นเป้าหมายแบบสั้นๆเหมือนที่ท่านมารวมบิกากรรมก็บอกไว้ว่าท่านซูเบสบินอวามท่านอับดุลรออินซูเบสท่านมุสซาบินซูเบสได้ตั้งเป้าหมายว่าเนี่ยอยาจะเป็นคอร ก็ได้เป็นคุณค่าได้นะแต่ได้สั้นสั้นเถอ็แล้วก็หมดไปแต่ต่างกันที่อุรุวะบินสุเบตตั้งว่าจะได้สวรรค์นะซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันอมตะ มันจีรังมันยั่งยืนมันเป็นความสุขที่บรมสุขผมอยากจะให้ขอเดี๋ยวกลับาแล้ครับว่าให้ผมครอบครัวผมพี่น้องทุกท่านครับตั้งเป้าหมายว่าในการใช้ชีวิตของเรานั้นใช้ชีวิตเพื่ออาเคโร ค, ครับเพราะว่าดุลยานี้มันสั้นแก่นไปดุลยานี้มันมันไม่ได้มีความสุขที่เจริงยั่งยืนเนี่ยดุลยาที่เราคิดว่าในปัจจุบันนี้นะฮะว่ามันมีสุขบรมสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับพี่น้องอยู่กับลูกหลานนะครับมันเป็นแค่ห น, นึ่งเมียมะ หนึ่งในเนี้ยมะนึ่ในความโปรดปรานที่อัลลอฮฺสุบฮานุุตะลาปันมาจากน้อยเนี้ยมะอัลลอฮ์นั้นมีหนึ่งร้อยเนี้ยมะหนึ่งร้อยความโปรดปานหนึ่งยความสุขหอยความดีแต่อัลลอฮ์จัดมาให้ในโลกวิน ญ, ญานี่เพียงแค่หนึ่งเนี้ยมะไอหนึ่งเนี้ยมะเราเห็นเนีคือความความผาสุขความรักความเมตตาระหว่างสามีภรรยาระหว่างลูกระหว่างพ่อระหว่างแม่นะครับ ความมอร่อยนะครับใช้ชีวิตคู่สามีภรรยาซึ่งมันมีความรักความผูกพันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยใช่ไหมแต่ให้เรารู้ว่ามันเพียงแค่หนึ่งในเก้าเ้าเนี้ยมั้เพราะฉะนั้นการที่เราจะตั้งเป้าหมายของเรานั้นก็ดีไหมครับว่าเราตั้งให้มันยาวๆและตั้งให้มันให้มันข้ามโลกวิญญาณนี้ข้ามลมจากวิญญาณนี้ไปว่าชีวิตของเรานั้นปักทงไว้คือในอาเคโรสิ่งที่เราทําทั้งหมดในในวนนี้เพื่อตอบตอบโจทย์อันนั้น การใช้ชีวิตของเราการกินก า, ก, การเดินการเดินการมีครอบครัวทุกอย่างเลยตอบโจทย์เรานั้นเพื่อสแสวงหาอาเกยร์เรานึกถึงว่าประเด็นการกินนะฮะและกินยังไงแล้วมันตอบโจทย์อาเกยร์เใครนึกได้ฮะลองลองลอ ง, ลองช่วยกันคิดสิครับวันนี้ผมกินกาแฟนะฮะแต่ก็ตอบโจทย์อาเกยร์เราเหมือนกันเลยนะครับช่วยกันคิดสิครับว่ากินแล้วมันจะตอบโจทย์อาเกยร์เราได้อย่างไร หรือการนอนก็ตอบโจทย์อังเกอรเราได้มันก็จะผูกพันกับวันนี้นะฮะผูกพันอยู่กันเนี่ยดคุณกินกาแฟครับกินเพื่อให้มีแรงพูดต่อไปอีกนะครับผมนอนนะฮะผมนอนก็นเหนียดเพื่อมีแรงมาบรรยายในวันนี้นะครับนั่นคืออะไรฮนะนั่นคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนของที่เป็นของของอาดา้ ของทั่วๆไปที่เราทําเป็นวิถีชีวิตเราของที่เป็นเรื่องของฮารานโดยทั่วๆวไปนะครับการกินการนอนเป็นเรื่องของฮารานนะครับแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนของฮารานนั้นเป็นเป็นอะไรเป็นอิบารัดได้เลยอยู่ที่การเนียดครับเนียดว่าทําเพื่อเพื่อตอบโจทย์การกระทําเพื่อให้มีแรงทาอิบารัดกับบาร์ลุบหานุตลาสิครับกินข้าวกินน้ําทําอะไรก็ตามทํากินเพื่อให้มีแรงทําความดี นอนเพื่อให้ตื่นมาแล้วมีแรงทำความดีทำมาหากินตอบโจทย์ครับทำมาหากินไม่ใช่เพื่อสะสมนะครับทำมาหากินในวันนี้ที่บางครั้งเราอาจจะคิดผิดนะครับสะสมเงินตราไว้ไม่ใช่นะฮแต่การที่เราทำมาหากินต้องเหมือนกับที่อุรุชุสุเบนะครับทำมาหากินเพื่อตอบโจทย์ครับว่าเงินทองที่เราให้มานั้นเพื่อตอบโจทย์เพื่อซื้อสวรรค์ของเราสิครับ เอาแล้วห้ริสกีมานั้นแบ่งริสกีแบ่งฟันริสกีให้กับคนยากคนจนทาทานไว้ผาธนังคางถอเรอไว้เพื่อแรกสว่งงางถอรอสุภาในวาระสิครับถามว่าคิดไหมแบบนี้อาจจะคิดนะครับแต่คิดไม่ชัดๆนะครับลองคิดให้ชัดๆคิดจนถ้ามันสามารถที่ผักดันว่าให้เรามีเงินแล้วนั้นให้เอาเงินนั้นเอามือร่วงไปในกระเป๋าแล้วใช้จ่ายเป็นหนทางของรอได้นั้นโอเคใช้ได้นั้นผ่านแต่วันนี้จะคิดอย่างเดียวครับแต่ยังไม่สามารถที่จะ ไม่สามารถที่จะกดเอทเอมไปใช้จ่ายไปในเรื่องเราขอก็ได้แสดงว่ามันยังไม่ได้นะครับแสดงว่าพลังยังไม่ยังไม่เข้มแข็งพอนั้นในวันนี้เราได้เพิ่มมานะครับว่าการที่เราเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราทําซึ่งเป็นเรื่อปกติการกินการ น, นอนการดื่มเรานะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอิบาดะได้เลยโดยเฉพาะการทํามาหา ก, กินนะครับว่าตอบโจทย์อังคอคอเคโรยักกุรานเะริสุปฮาอหานุตลาบอกกับเราครับว่าเป้าหมายธงที่เราปักเอาไว้นั้นให้เป็นแบบนี้นะครับ เราบทเตอรีฝีมาอาตากรลาหุดาโรลาอาเคาะท่านจงสแสวงท่านจงอาศัยปัจจัยต่างๆที่อัลลอสุบานุตาลาให้กับท่านมาในโลกดุนยานี้สแสวงหาอาเคาะอีกข้างนึง น, นะครับเราะว่าบทเตอรี่ฝีมาอาตากรลาหุดาโรลาอาเคาะท่านจงสแสวงอาเราะโดยอาศัยปัจจัยต่างๆที่อัลลอุบานตาลาให้กับเจ้ามาในโลกดุนยานี้ อัลลอฮ์เรามีสุขภาพดีอัลลอฮ์ให้เรามีความคิดความอ่าน ท, า ท, ทาําธุรกิจทำค้าขายอัลลอฮ์ให้เราได้เป็นครูบาอาจารย์อัลลอฮ์ให้เรานั้นเป็นเป็นเป็นอิห ม, ม่ามเป็นผู้นําเป็นผู้นําองคอ์กรเป็นคียในการผังันทองคอ์กรอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้ตอบโจทย์เพื่ออาคิราะไม่ใช่ตอบโจทย์ในดุนยานี้เหมือนที่คนส่วนใหญ่คิดแล้วก็ทํากัน ส่วนให ญ, ญ่เราจะเห็นว่าเป็นไงฮะเราอาศัยสิ่งที่เราให้เรามาเงินทองครับสภากำลังที่มีอยู่ทรัพยากรที่เรามีอยู่เพื่ออะไรฮะสะสมใช่ไหมฮะสะสมไว้เพื่อใครฮะเอาไปได้เท่าไหร่ฮะสะสมดูเหมือนว่าสะสมเพื่อตัวเองแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เป็นสะสมเพื่อให้กับคนที่เป็นลูกหลานมากกว่าใช่ไหมฮะเพราะเร า, ไไ า, าเอาไปได้เท่าไหร่คนมีแสนล้านเอาไปได้เท่าไหร่ฮะเอาไปได้เพียงแค่ผ้าผ้าสดผ้าผ้าขาวๆใช่ไหมครับแล้วก็ลง มื่อสร็แล้วพื้นที่เนี่ยซื้อที่มีที่มีทางเป็นร้อยไร่พันไร่แต่ที่ที่ใช่จริงๆคือใช้ที่เล็กๆยาวประมาณสองเมตรแล้วก็กว้างแค่ประมาณไม่ถึงหนึ่งเมตรแค่นั้นเองใช่ไหมครับนันคือสิ่งที่เรานั้นคิดผิดกันใช่ไหมฮะมองเงินผิดมองไม่ขาดนะครับทั้นมองให้ขาดีริงๆครับในเวลาที่มีอยู่ในวันนี้เนีฮะขอให้มองให้ขาดว่าขอให้เราได้อาศัยดุนยานั้นเพื่อตอบโจทย์อาชีร์เราไม่ใช่ว่าอาศัยดุนยานั้นต่อยอดในดุนยานี้ มันมันไม่คุ้มกับค่าเน่หรอครับที่เราเหน่ในดุนยานี้แล้วก็ตอบโจทย์ในดุนยานี้นมันไม่คุ้มกันบางครั้งที่เราเราคิดผิดนะครับเพียงแค่หาดุนยาตอบโจทย์ในดุนยาทำให้เรามีชีวิตเพื่อเพื่อเหนื่อยเพื่อสแสวงหาโดยที่หลายคนก็ไม่ใส่ใจใช่ไหมครับว่าเ ง, เงินทองที่หามาได้นะั้นมันจะถูกหรือมันจะมันจะผิดต้องครอบครัวต้องทะเลาะกันไหมนะครับพี่น้องต้องทะเลาะกันหรือไม่นะครับคนในสังคมต้องทะเลาะกันหรือไม่ ค, คนเขาจะมีคิดนะฮะเพราะโจทย์ของเขาคือเพื่อต่อยอดในดุนยานี้แต่ทางกันสิครับถ้าหากว่าเนียดเราเนี่ยฮะเพื่อต่อยอดในอาเคโราอาศัยดุนยานั้นต่อยอดอาเคโรมันจะผิดกันเลยฮะสิ่งที่เราเดินนั้นแท้สิ่งนั้นจะสร้างความเสียหายมันก็ไม่คุ้มกันฮนะเราทิ้งละหมาดสุบรอเพื่อไปขายของเราทิ้งละหมาดนั้นศุกนะครับเพราะว่าหัวหน้าบอกหัวหน้าว่าจะได้เราออกจากงานเพาเราไม่ละหมาดนั้นศุกรนั้นคิดัสั้นคิดเพียงแค่ ใช้ดุลยาต่อยอดในดุลยานี้เราก็พร้อมที่จะแรกทั้งหมดเลยแต่ต่างกันถ้าชัดๆนะครับว่าใช้ดุลยาต่อยอดอังเกลอเราจะไม่ยอมครับมันสุกร์ยังไงต้องได้ละหมาดวันสุกรสุโบะยังไงต้องได้ละหมาดสุโบะเอาอื่นมาที่หลังนั่นคือหลักชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมฮะนั้นตั้งหลักให้ชัดๆนะครับยุทธศาสตร์เป้าหมายเทคนิค ก, กลยุทธ์ในการใช้ชีวิตมีความสําคัญไม่แพ้กับการทําธุรกิจไม่แพ้ในเรื่องของกา ร, ใ น, ร, การในเรื่องของการทําสรับภูมิในเรื่องการรบการรบต้องมีมียุทธศาสตร์มีกลยุทธ์ การใช้ชีวิตเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะชีวิตของมุสลิมท่ามกลางความกระแสะของมะซิยาที่มันมันมันหลั่งไหลเข้ามาในปัจจุบันนี้มันหลากมากเลยใช่ไหมฮะนั้นอยู่แบบที่ทอยู่แบบไปวันวันมันมันอยู่อยู่ไม่รอดตั้งตั้งหลักนะครับนั้นหะดิสของท่าน วัดเป็นคำตอบที่เก่าในเรื่องนี้นั้นปรับโจทย์ได้อย่างชัดเจนเนะครับว่าเราสามารถที่จะรอดได้ครับว่าเป้าหมายในยการใช้ชีวิตเดียวนั้นปักธงให้ ช, ชัดๆครับว่าเพื่อการรอดเพื่อสวรรค์เหมือนที่นอุรุวะบินสุเบศนะครับชายผาพราโหินเหมือนกันกระทำของท่านโอภุบักนะครับ ที่ท่านกล่าวชัดนะครับว่าเพื่ออัลลอฮ์ตอบโจทย์เพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ตอบโจทย์เพื่อดุลยานี้มั่นใจครับว่าถ้าเราเราเข้มแข็งในเรื่องนี้นะครับตัวเราเองก็จะมีความสุขซึ่งเป็นความสุขที่หลายคนน่าอิจฉานะครับที่เป็นความสุขที่มันอธิบายไม่ได้นะครับแต่เป็นความรู้สึกที่เราจะสามารถสัมผัสได้เมื่อเราทําให้ความอิคลาสนั้นมันเข้มมันเปล่งประกายในจิตวิญญาณเราแล้วเราจะยกระดับจิตวิญญาณเรา ยกระดับการเป็นอยู่เราและไม่ใช่ยกระดับเฉพาะในดุญญนยา this นะครับแต่มันส่งผลถึงอารเจริญไปเป็นสุนดยอดปาร์น า, านของเรานะีฝากไว้กับทุกท่านเลยนะครับว่าในเรื่องนี้มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งฮาริสนี้เป็นฮาริสที่ทรงคุณค่าเป็นฮาริสแรกที่ท่านอิหมั่นนวีได้เกิดกับเรานะครับผมพยายามเจาะลิกไปในบางประเด็นที่ที่หลายคนอาจจะหลงลืมไปแม้แต่ตัวผมเองนะครับหรือบางคนอาจจะได้ยินว่าท่านอาจารย์พูดฮาริสนี้ก็จะซ้ำๆยึกฟังแล้วอาจารย์จําได้แล้ว แต่ตัวอย่างบางตัวอย่างมันทรงคุณค่านะครับมันมีคุณค่ามากกว่าการที่จะมองผ่านไปนะครับมันมันคุ้มมันมีคุณค่าในการที่จะนําเสนอแม้แต่ซ้ําไป10ครั้ง20ครั้งแต่ทุกครั้งที่ผมพูดในเรื่องของของการอธิบายความอิคลาสโดยยกประวัติของท่านเบูบักมานั้นตัวผมเองนั้นก็จะกินใจนะมั่นใจครับว่าทุกท่านก็กินใจและทุกครั้งนั้นสามารถที่จะนําสิ่งนี้นั้นซึมไปสู่การสู่จิตวิญญาณนําสู่กา ร, กา ร, การปฏิบัติได้เราทุกคนจะแสวงหาการอิคลาสความบ ร, ริสุทธิ์ ว่าตลาครับได้ประทานตอฟีกที่ความสำเร็จทีได้ยากที่ทางนำที่ถูกต้องให้กับเราท่านทุกคนเลยนะครับครับอโกลกาลีฮาลาวัสตังฟุรุละฮะลิวะลกุมวะลิซายริมุสลาไนัมินตุลีดังฟัสตังฟุรุอินุลกุฟรุรหิมบิชมิลลายซุฮ์มานุลหิมอัลกันบุลีลายรอเบลอาลามีนขอสุขในเนิหมัดของอัลลอฮ์สุลตัลลาอัลล์ุตัลลาให้อาจารย์ศีน้บ พบกับเราหลายครั้งที่ไม่ได้มานะครับเป็นการรอคอยวันนี้จะมีคำถามเกี่ยวกับาการเรียนรู้ของเราเพราะว่าผู้เข้ารับพิสลามที่ผมออกรายการวิวทุกวันเสาร์จะพูดถึงเรื่องคำว่าคาดูอินฟาดูกิฟายะวันนี้เราก็พูดพื้นฐานอันนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็มีผู้เข้ารับอิสลามมาหลายคนนะครับเพราะฉะนั้น ผมจะถามอาจารย์ยซินอันดับแรกว่าสิ่งที่มุสลิมจาเป็นต้องรู้มีอะไรบ้างครับมุสลิมล่าประวัติธรรมดูเลยนครับเป็นคำถามที่เป็นคำถามสั้นนะครับแต่มันใหญ่มากเลยนะครับวันนี้คำตอบนี้นครับถ้าจะอธิบายกันก็คงวันนี้ไม่ได้นอนกันนะครับ อาวุธเดินมาถึงตัวเราครับในเบืาองสิ่งแรกที่มุสลิมทุกคนจะต้องรู้นั่นคือรู้จักอัลลอฮ์ครับรู้จักอัลลอฮ์ต้องรู้ไม่ใชยรู้เพียงแค่เหมือนที่เรารู้กันทั่วทั่วไปนะครับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าก็โอเคนะแต่ต้องรู้ให้ลึกรู้ให้กว้างรู้ให้รอบรู้ถึงจิตวิญญาณแก่นแท้จริงของของอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาล่าผมกาลังจะบอกครับเพียงแค่เรามีความรู้และเข้าใจอย่างรอบ ลึกและกว้างในประโยคที่บอกว่าละอีละอิละลอพอเพียงครับเพียงแค่ประโยคเดียวนะครับประโยคที่ทุกคนทุกทุกที่มุสลิมินทุกคนหรือพี่น้องที่สนใจอิสลามและจะเข้ารับอิสลามและเป็นเป็นวาญิปเป็นฟาโรดจะต้องกล่าวคํานี้คืออัลฮะดุอันละอีละอิละลอผมขอเพียงจนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นในนิสสุกับไว้โดยแท้ๆในจักรวารดิคำนี้นะครับที่มันมีความลึกมากกว้างมากนะครับ พูดง่ายๆนะครับเอาหลักการอิสลามมาเอามาทั้งหมดเลยมันเป็นเท่ากับน้ําทะเลนะครับที่มันมันมากมากเลยเสร็จแล้วเคี่ยวเคี่ยวเวจนทั่งให้มันเหลือผึกนะครับผึกนั่นคือละอีละอินลหนลงหลงครับนั่นคือพระเจ้าในเรื่องนี้นะครับซึ่งซึ่งต้องต้องเข้าใจกันแล้วก็ทําความเข้าใจกันในประเด็นนะครับว่าฉุดอะไรอยากรู้ว่าเจ็ประการไม่มีอะไรบ้างนะครับซึ่งน่าจะต้องมีโอกาสในวันหลังนั้นสรุปนะครับว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ แล้วก็รู้ต้องบอกว่ารู้อย่างลึกซึ้งนะครับต้องคือก็คือและอิละฮิลลอรู้จักอ AH, ัลลอฮ์อย่างแท้จริงรู้แบบจับถ่วยไม่ได้ทําไมท่านดบี้จึงใช้ระยะเวลาถึงสิบสามปีที่นครมักกะใช่ไหมครับเพื่ออธิบายและอิละฮิลลอรเรื่องของพระเจ้ากับว่าพระเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่เหมือนพระเจ้าที่เราคุฟฟาห์มุสเกินเข้าใจกันนะแปลว่าเป็นพระเจ้าอาลัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามันไม่ใช่นะแต่ในยะที่มันลึกกว่า คำว่าพระเจ้าที่แท้จริงคือพระเจ้าที่สามารถที่เรานั้นฝากความหวังได้ยึดกับพระองค์มีเรื่องอะไรเดือดร้อนเข้าสู่พระองค์นั่นคือนั่นคือจิตวิญญาณที่แท้จริงของลายยิ่งใหญ่นวครับต่อมานะครับเป็นคําถามสั้นๆให้จันยจินตอบแบบสรุปนะครับอเลาได้ทรงดลบดลไว้อย่างไรบ้างครับว่าสมบัติเกี่ยวกับเครื่องกัน ที่มุสิมจะต้องรู้กับขอให้จันทรินแบบตอบแบบสรุปเลยนะครับขลอรัศุบฮาโลตละกับไนในยอกุอ่านครับว่าว่าไม่ย่ติอิลาฮะว่ารัศูลเลวฮูยุดขิ้นเลวุยจันน่าทิ่จะเจริญในถ้าดินอันฮารข้าวลดีนฟีฮะผู้ใดก็ตามครับที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูล แน่นอนอัลลอฮฺสุบานอัลตานนั้นจะนําเขาข้าสวรรค์สวรรค์ น, นั้นมีความมีความสวยงามพระเดีมินต์ตาฮิันอันทร์สวรรค์ น, นั้นจะมีลําธารไหลผ่านขอ้อดีนะพี่ฮะมันเขาจะับนักอย่างในสวรรค์ น, นั้นตลอดการวาซาดิกั์เฟอรตุนอัลีมนั่นแหละมันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะครับนั้นการที่เรานั้นศรัทธานในอัลลอฮ์เชื่อฟังในอัลลอฮ์แล้วก็คืออะไรฮะอยู่ตัวองละครับอัลลอฮ์ทรงใช้เราทําตาม เราห้ามเราออกห่างนั่นคือหลักการอิสลามสอนเอาไว้นั่นคือหลักปฏิบัติมันก็จะกลับมาหลักที่ผมกล่าวไว้ในเบื้องต้นนะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเรานั่นคือเรื่องของอิบาด อิบาดาก็คือสิ่งที่เราแสดงออกภายนอกต้องคบถ้วนครับเงืนไของค์ทรงใช้เราเราต้องทําครับเรื่องละหมาดต้องทําเรื่องการการอ่าการอารียอารอบนะครับระหว่างเรากับอวโลกเราก็ต้องทําเรากับมนุษย์เราก็ต้องทํานะครับเราทําแล้วเราก็จะได้เท่ากับเราได้ต่ออ้างกับอวโลกุบาโนตระแต่ในการทํำก็มีเงื่อนไขใช่ไหมครับว่า ส่วนที่เป็นร่างส่วนที่เป็นวิญญาณใช่ไหมฮะร่างก็คือครบถ้วนตามกระบวนการนะครับส่วนวิญญาณคืออะไรฮะความพิคลัสเหมือนที่กล่าวไปแล้วนั้นต้องพิสูจน์ให้ได้ครับว่าสิ่งที่เราเราทําเราศรัทธาแล้วมันต้องยืนย่างครับมีคนเรารักมีคนมาบอกเรารักใครก็ตามแต่เราบอกว่ารักอย่างเดียวไม่ได้พิสูจน์เลยว่าเรารักอย่างไงมันได้ไหมครับไม่ได้นะครับเมื่อรักแล้วคืออะไรฮะรักแล้วต้องห่วงหารักแล้วต้องอาทรนะครับรักแล้วต้องทําดีนะครับ รักเอาแล้วก็ต้องทําดีกับบอลล็อดด้วยนะครับครับอันนี้ข้างหน้าเราจะต่ออีกครับทุกเดือนที่เรจะมีการเรียนการสอนตรงนี้นะครับป่านนี้นายกสมาคมมาเดี๋ยวผมใช้นายกสมาคมมาพูดกับเรานิดยนึงครับตอง น, นี้ผมสรุปตรง น, นี้เลยนะครับว่าเดือนหน้ามีนาคมวันเสาร์ที่เจ็ดวันเสาร์ที่เจ็ดมีนาคมนะครับ ก็มีอาจารย์วัฒนากับอาจารย์ยาซีนที่จะมาสอนตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมปรึกษาอาจารย์ยาซีนสักนิดหนึ่งครับว่าสําหรับผู้เข้ารัพิศพลามที่มาวันนี้คุยลีกับโขสันสองคนที่อยู่ข้างหลังนะครับอันนี้ผู้เข้ารับิศลามสองคนนั้นก็มีสี่คนที่สอนอยู่ที่มุลนิธิสันนิชนวอาทิติศรนาดาเทศด้วยใช่ไหมน้านาสอนอะไรครับสอนอ่นาน ล, ละหมาดแล้วสอนภาคปฏิบัติด้วยใช่ไหม อคื น, นี้เป็นเป็นแนวเป็นรูปแบบที่โมนิชิสันทิชนทมกับโครงการผู้สนใจนอิสลามสี่คนผู้เข้ารับอิสลามแต่่เลยครับสอนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์และมีอีกหลายคนตอนนี้ผมปรึกษาอาจารย์เยซีนสักนิดว่าเขาจะเปิดโบรมเป็นวิชาครูดีไหมสักยี่สิบคนก่อน พวกนี้สามารถเราไปสอนตามบ้านได้เพราะว่าวันวันะอาทิตย์ที่รประกาศสิบวัินะมีมิสฉิมหลายคนที่เป็นภรยาเป็นนายทหารสามีก็เป็นนายทหารแต่ลูกไม่รู้ศาสนาเลยสามีอายุหกสิบแล้วเขาบอกว่าจะให้ครูผู้หญิงไปสอนที่บ้านได้ไหมลูกสาวและภรรยาเขามีลูกสามสี่คนสามีปลดเกษียณแล้วเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้ที่เราต้องทา เพราะฉะนั้นการทํากับพวกเข้ารับอิสลามเนี่ยจําเป็นต้องไปถึงบ้านครับที่ผมไปทําอยู่ที่หนองจอกแล้วตอนนี้ผมได้ปรึกษาอาจารย์มุธาฟาเมื่อกี้แล้วถ้าเราไม่ไปถึงบ้านเขาเหมือนกับเอาใจเหมือนกันเราไม่ได้อิสลามครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะขอจบแค่นี้แล้วครับว่าเดือนหน้านะครับต้องพวกเรามากันทุกคนนะมาตรงนี้อีกนะครับ